เด็กๆไม่เจอกันไม่กี่เดือนเนาะดูโตขึ้นเยอะเลยนห้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่รู้ไปทำอะไรมาจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดอยู่ในหัวข้อที่คุณยอดเขาส่งไปให้ดูนะครับเขาเขียนว่าจะทำดีต้องเริ่มที่ไม่มีเรานะครับ ก็มีวงเล็บคาว่าไม่มีอยู่ข้างหน้าคือเราได้ยินกันบ่อยว่าจะทาดีต้องเริ่มที่ตัวเราเนาะจริง ม, มันก็ถูกในมุมหนึ่งนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเวลามันพูดเป็นเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยเวลามันมีตัวเราแล้วมันทำดียากสองวันนี้เราก็คงได้ยินข่าวเนาะข่าวดังอันหนึ่งก็เรื่องกราบรถกลูเนี่ยนะครับ ไอ้คำว่ากูในที่นี้มันก็คือคำว่าเราเนี่แหละคนเราที่ยังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันก็เพราะว่ามันยังมีตัวเราอยู่มีตัวกูที่ยังทําชั่วทําบาปอะไรได้ก็ เ, เพราะว่ามันรักตัวเราหรือว่าตัวกูเนี่ยเยอะนะครับท่านพุทธทาสท่านใช้คําเดียก ว, ว่าตัวกูของกูนะรถก็รถของกูเห็นหมที่ที่ที่ไปโกรธ พ, พูดชื่อเขาก็นิดหนึ่งฮงไม่ว่าเนาะ เ ข, เขาพูดไปหมดแล้วคุณน็อตเนี่ยนะครับ เ, เขากโกรธอีกคนหนึ่งที่ไปขับมอเตอร์ไซค์ไปชนไฟรถเขานะรถเขาเป็นรอยเพราะโกรธก็เพราะว่าคุณน็อตเขารู้สึกว่านี่มันเป็นรถของกูนะครับเะงั้นในเมื่อคนนึงมาทําให้รถกูเจ็บกนะ็ต้องมากราบรถกูนะสุดท้ายมันก็วนมาที่กูคราวนี้มันมาถึงอีกมุมหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้สังเกตกันครับ อีกมุมหนึ่งก็คือว่าบ้านของพ่อแม่คนที่โดนต่อยเนาะเขาก็โกรธนะครับซึ่งมันเป็นปกติเป็นเรื่องเข้าใจได้นะครับพอเขาโกรธปุ๊บเขาทำยังไงเขาก็เอาเรื่องครับนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่าคุณน็อตเข้ามาขอโทษมาขอขมาจะยอมรับไหมคุณแม่ของผู้เสียหายก็อบอกว่าตอนเนี้ยมันเกินกว่าที่จะให้อภัยแล้ว นะมันรับไม่ได้เกินกว่าจะให้อภัยแล้วทำลูกเขาเจ็บขนาด น, นี้คุณแม่ของผู้เสียหายกโกรธเพราะคิดว่าคุณน็อตเป็นคนที่ทำให้ลูกของกูเจ็บเห็นไหมครับก็มีตัวกูอีก ล, ละมีตัวเรามีตัวกูเข้ามาเกี่ยวอีกละต่อมาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเช่นชาว โซเชียลทั้งหลายนะครับก็เข้าไปรุมด่ากันสนุกสนานครั้งนี้นะครับมีคนไปไปขุดว่าโอ้คุณน็อตทำอะไรอยู่บ้างทั้งแล้วเพจ a c e b o o k ทุกอย่างเว็บไซต์รลอแล้วก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณน็อตไปอยู่ก็โดนรุมสกรํากันหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะคนพวกนี้ก็รู้สึกว่าคุณน็อตเนี่ยทำลายความ อะไรนจะเรียกว่าอะไรไงสูงส่งดีงามหรือความถูกต้องหรืออะไรก็ตามแต่ของสังคมของกูอีกทีนึงนะครับมันมีตัวกูซ่อนอยู่ในทุกๆพฤติกรรมของมนุษย์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและพวกเราในฐานะที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คงคงคงพอจะเข้าใจได้โดยที่ไม่ไม่ได้รู้สึกมันยากมากนักนะครับพออธิบายเรื่องนี้เข้าไป ลองไปสังเกตดูว่าตั้งแต่เร า, เ, ราเกิดมาจนกระทั่งเรามาถึงปัจจุบันวันนี้เนี่ยตัวกูหรือว่าไอตัวเราเนี่ยมันทำให้เราพบกับความทุกข์มาแล้วกี่เรื่องเราจะพบว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาซ่อนๆ อ, อ, อ, อยู่ครับในทุกครั้งที่เป็นผมตอนผมไปบวชเล่าประสบการณ์ให้ฟังตอนไปบวชนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่ง เรื่องนี้น่าจะเล่าได้เพราะพวกเราคุ้นเคยกับสัตว์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับคือตัวเฮียนะครับเพราะที่นี่ก็เออผมก็เคยเห็นเ้าเดินอยู่นะครับตัวเฮียอยู่ที่วัดที่ผมไปไปบวชอยู่คือผมบวชวัดบวรสิบห้าวันแล้วก็ไปอยู่ที่วัดสวนสันติธรรมกับหลวงพ่อปราโมทนะครับวัดเป็นวัดป่าแล้วก็มีมีบ่อน้ํามีบึงใหญ่ๆเลยนะครับ เมื่อที่ใดมีน้ําที่นั่นก็มักจะมีตัวเหี้ยอยู่นะครับแล้วมันเป็นป่าด้วยเขาก็ชอบสนุกสนานอยู่นั่นนะนะและด้วยความที่เขาอยู่กับพระไม่มีใครไปทําอะไรเขานะครับเขาก็จะเดินกราบนะครับนึกภาพนะผมไม่กาแรแลบลิ้นไปด้วยนะเดี๋ยวจะเหมือนกันไปนะครับ เ, เดินเดินไปเดินบนถนนเนี่ยเราต้องหลบเขานะครับไม่ใช่เขาหลบเราเราต้องหลบเขานี่มีอยู่วันหนึ่งครับจริงๆตอนแรกๆไปก็เห็นแล้วก็ สะดุ้งนิดหนึ่งก็อูนไวตัวใหญ่จังตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่ประมาณสักเก้าอี้เนี่ยต่อกันเนี่ยห้าตัวต่อกันนะฮะรวมหางด้วยนะครับรวมหางแล้วเนี่ยก็ถือว่ายาวพอสมควรทีเดียวนะฮะเห็น <c oughs> แรกๆ ก, ก็ตกใจทำไมตัวใหญ่จังแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่า อ, อ๋อไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่นะครับอยู่มาวันหนึ่งครับ ผมอยู่ไปเนี่ยไม่มีแมแววัดมีแมววัดตัวหนึ่งซึ่งเขาอยู่มานานแล้วนะชื่อว่าป้ากลิมนะฮะที่เรียกป้าเพราะว่าอายุเกิน10ปีเป็นแมวอาวุโสของวัดอาวุโสที่สุดน่าจะอยู่อายุประมาณสัก12ปีได้ป้ากลิมเนี่ยจริงๆไม่ใช่แมวของผมเขาอยู่มานานแล้วเขาอยู่เขาก็มาอยู่ที่กุดผมโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้ชวนไม่ได้ขอร้องไม่ได้เลยนะครับเขาก็มาอยู่พอมาอาศัยอยู่ปุ๊บเอ่อผมก็ เอาโอเคไม่เป็นไรมาอยู่ก็หาอาหารให้กินนะครับเอาน้ําให้กินดูแลนะครับแล้วป้ากลิ่มก็จะมีนิสัยเป็นแมวขี้อ้อนนะครับก็จะต้องขอคอยลบค อ, อยร้องมายืนอยู่หน้าประตูนั่งอยู่กระดิกหางแล้วก็เรียกหลองลงหลองลงเหลอง ล, ง, ลงนะครับเมี้ยวเมี้ยวคือเรียกออาไปให้อุ้มอุ้มหรือไม่ก็ต้องไปเกาหุ่งเขานะครับ เก่าเก่าเก่าเก่ า, าคงหรือแม้เก่าหลังตรงโคนหางนะครับใครมีแมวจะรู้ว่าแมวชอบให้เกาตรงนั้นพอเกาแล้วเขาก็จะมีความสุขมากครับผมดูแลเขาอยู่สักพักหนึ่งเกือบเกือบเดือนเขาก็แสดงความขอบคุณด้วยการไปล่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่คล้ายๆกับลอกแต่ตัวเล็กกว่าผมไ ม, ไม่แน่ใจว่าเล็กกระแตหรืออะไรสักอย่างครับตัวไม่ได้ใหญ่มากเช้าวันหนึ่งผมจะออกไปบินธบาตนะประมาณตีห้าจะออกจากกุดประมาณตีห้าห้า เปาปุ๊บไฟฉายส่องตัวอะไรมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็เดาได้ว่าสงสัยกลุ่มเนี่ยจะเอามาคาบมาวางไว้นะครับซึ่งผู้ชำนาญเรื่องแมวมาบอกผมทีหลังว่ามันเป็นการแสดงความขอบคุณที่เราดูแลเขามาอย่างดีนะก็เอาไปปิ้งกินนั่นลุงเียนะฮะเขาคงคิดว่าเราอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้พอเราเห็นงนั้นปุ๊บเราก็เอา ไอ้ที่ตักผงนี่นะครับตักแล้วก็ไปโยนอยู่นอกๆกรุดนะให้มันห่างๆไปแต่กลิ่นมันคงจะยั ง, ยงอยู่นะครับแล้วก็เดินไปเทศกลุมครับกลุมทําไมทําอย่างนี้มันบาปรู้ไหมกลุมทำอย่างนี้มน ไ, มมไม่ได้นะเขาเป็นสัตว์เหมือนกันเขามีชีวิตเหมือนกันได้ชาติหน้ากลุมจะได้เกิดเป็นคนได้ยังไงอะไรก็รต้องพยายามส่งเสริมให้เขาได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นนะฮะเราก็เลยไปเทศให้เขาฟัง พอเที่ยนเี่เขาฟังปุ๊บตกบ่ายวันนั้นครับกึ่มอบพยพย้ายกุดไปเลยด้วยความงอนผมนะครับย้ายกุดไปอยู่กุดอื่นเลยครับไม่อยู่แล้วหลวงลุงนี้ใจร้ายอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ปัญหาที่ตามมาไม่ได้อยู่ตรงที่กึ่มย้ายไปครับปัญหาคือว่าไอ้ตัวเงินตัวทองนะครับตัวเฮียเนี่ยนะครับเขาก็ตามกลิ่นของสัตว์ที่ตายเนี่ยนะครับปีนขึ้นมาบนกุดผม นะขึ้นบันไดามาเลยครับม า, มาแลบลิ้นอยู่มันกรวดผมก็นั่งตอนนั้นกาลังอ่านหนังสือสอบนักทำตรีอยู่ว่าจะเตรียมสอบนะครับก็ได้ยินเสียงอะไรครูดครอดครดูดครดับ อ, อ, อยู่ข้างหลังหันไปนะครับหันไปก็เห็นเขาขึ้นมาบนระเบียงผมก็ตกใจตอนที่ตกใจนะครับมันเห็นเซลฟ์ของตัวเองอยู่มาว่าอ๋อเราเป็นพระเราจะทําเสียง ตื่นตะลึงไม่ได้เลยทําเสียงเฮ้ยอย่างเงี้ยเสียลุกของพระเห็นไหมครับมันมีเซลล์อยู่เนี่ยไอตัวตนของขอ ง, ของเราเนี่ยนะครับคือเล่าเรื่องนี้มาไม่ใช่อะไรจะเล่ามาเรื่องของตัวกูไม่ได้ไปเล่าเรื่องของตัวตัวเงินตัวทองอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับอันนั้นเอามาเป็นแค่ตุ๊กตาสมมุติหลังจากนั้นเขาผมไล่เขาลงไปผมก็ไปไปไปไม่ใช่ที่ของเธอไปไปไ ป, ไปนะครับ สักพักหนึ่งผมออกไปฉันเพลยนที่ศาลาอีกศาลาหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาผมก็ผมก็นึกว่าเขาคงจะไปแล้วพยายามดูอยู่ว่าบนระเบียงกุฏิเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ายืนยืนอยู่นะครับปรากฏว่าเขาไม่ยืนอยู่ข้างๆเขาเขายืนหลบอยู่ตรงตรงพุ่มไม้มันมีพุ่มไม้อยู่ข้างๆก่อนจะถึงบันไดเขายืนอยู่ในพุ่มไม้ผมเห็นผมก็เฮ้ยเนียคราวนี้หลุดเลยนะครับไม่สามารถควบคุมได้พอเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ย ก็เกิดความรู้สึกอายขึ้นมาว่าหลวงพี่คนอื่นเขาจะได้ยินเราร้องหรือเปล่านะครับเซลฟ์กแล้วครับมีความห่วงหน้าตาของตัวเองดูห่วงลุกของตัวเองว่าโอ้เราออกเสียงไปอย่างนี้ดูหน้าเกลียดหน้ากลัวหรือว่าดูไม่สำรวมดูขาดสติหรือเปล่าเซลฟ์หมดเลยครับนี่เป็นเซลฟในขั้นที่มันละเอียดขึ้นนะครับเราลองไปสังเกตดูว่าเรามีอย่างนี้อยู่บ้างหรือเปล่า มีหลวงพี่ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าท่านไปฉันอาหารอยู่ร้านร้านดิมทางนะครับเพราะว่าเดินทางไกลแล้วก็ระหว่างทางต้องแวะฉันคือพระเนี่ยมีข้อจํากัดเรื่องเวลาฉันหลังเที่ยงไม่ได้นะฮะก็เลยต้องแวะก่อนพอแวะเนี่ยมันไม่สามารถจะแบบเข้าไปหาที่มิดชิดได้นะครับเก็ต้องไปฉันตามร้านนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเวลาไปเห็นพระตามร้านอาหารอยเพิ่งมองท่านในแง่รายนะครับอยเพิ่งมองในแง่รายเพราะมูทีมันมีข้อจํากัดเรื่องเวลา พี่ถ้าท่านฉันไปเนี่ยแล้วท่านก็เอาทิศชู่มาเช็ดปากพอเช็ดปากเสร็จกําลังจะขยำทิศชู่แล้วก็โยนทิ้งถังขยะนะท่านก็เห็นว่าขณะที่กําลังปั้นทิศชู่แล้วก็โยนปุ๊บมันมีเซลล์เกิดขึ้นครับมันมีท่าเกิดขึ้นว่าโอ้เนี่ยเราต้องโยนเท่ๆต้องโยนอย่างนี้บางคนอาจจะนึกว่าตัวเองเป็นไมเคิลจอแดนนะครับนะ ทำท่าหยดมีเซลฟ์อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปพึ่งรีบไปตำหนิคุณน็อตที่เขามีอีโก้แล้วก็ขาดสติไปต่อยคนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ระวังวันหนึ่งเราก็อาจจะขาดสติได้เหมือนคุณน็อตเหมือนกันเพราะเรามีเซลฟ์เขามีเซลฟ์ทุกคนมีเซลฟ์ของตัวเองมีความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นตัวกูอยู่ซ่อนอยู่ข้างในครับ เราเคยโกรธคนอื่นไหมผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เคยโกรธคนอื่นบางคนโกรธเพื่อนโกรธพ่อแม่โกรธเสื้อแดงโกรธใครก็ตามแต่โกรธเสื้อเหลืองโกรธอะไรก็ตามแต่นะครับมันมีคนให้โกรธเยอะแยะมากเลยในชะ่นในโลกนี้แต่คนคนเดียวที่เราควรจะใส่ใจว่าเขาเป็นคนดีพอหรือ ย, ยังไม่ใช่คนอื่นครับมันคือตัวเองนะะ ผมเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าออกแบบชีวิตของพระมาเนี่ยให้ใส่ใจเรื่องของการดูตัวเองเยอะมากเหตุผลเพราะว่าท่านออกแบบนี้ครับเวลาพระบวชใหม่เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่วัดไหนคุณจะใหญ่แค่ไหนคุณจะเป็นดาราคุณจะเป็นซุปตาคุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะเป็นอะไรพอคุณเข้าไปบวชใหม่ปุ๊บเขาจะมีข้อวัดให้คุณครับหนึ่งคุณต้องทําความสะอาดเสนาสะนะคือที่อยู่ เป็นกุฏิเป็นอะไรก็ตามแต่ที่คุณไปอาศัยอยู่คุณต้องทาความสะอาดเองเสื้อผ้าคุณต้องซัดเองคุณจะไปบอกว่าผมเคยอยู่บ้านผมมีคนใช้สี่สิบคนผมมาอยู่เป็นพระผมจะต้องมีคนมาทำให้ไม่ใช่ครับทำไม่ได้คุณเป็นพระใหม่คุณต้องทำาน ง, งานเยอะกว่าคนอื่ผมเข้าไปถึงผมต้องไปล้างมันจะมีลานที่เขาเอาไว้ล้างบาทครับเป็นอ่างเป็นแท่นขึ้นมานะครับมีก๊อกก๊อลิเงเลียงกัน ผมต้องไปล้างตรงนั้นทุกวันทุกวันครับเช้ามาต้องไปเตรียมอุปกรณ์ให้เขาก่อนออขวดสันไลเล็กๆเลๆเนี่ยถ้ามันขาดไปแล้วมันพองไปแล้วต้องเติมนะฮะต้องดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยฝ่องน้ําที่จะเอาไว้ล้างบาดเรียบร้อยเสร็จแล้วถึงจะออกไปกวาดใบไม้ตอนเช้ากวาดใบไม้เสร็จค่อยมาฉันฉันเสร็จก็ล้างบาดของตัวเองเสร็จแล้วก็รอคนอื่นเขาทาเสร็จก็หิว้วน้ําที่เป็นเศษอาหารนะครับ ไปให้โรงครัว เ, เสร็จแล้ว ก, กลับมาก็มาล้างลานตรงนี้พอล้างเสร็จก็กลับไปถึงคุติของเราทำกิจส่วนตัวจะทำความสะอาดจะซักสบงจะทำอะไรก็ไปทำหลังจากนั้นตอนบ่ายก็ต้องมากวาดใบไม้แล้วก็กวาดใบไม้เสร็จผมต้องไปกวาดถูศาราศาราเป็นสาราปานะนะครับซึ่งเขาเอาไว้ฉันปานะทากิจอะไรของพระอยู่นิดหน่อยพระใหม่ครับทาเยอะพระเก่า ที่อยู่นานก็จะได้เลื่อนอันดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอเลื่อนอันดับขึ้นไปบางงานก็ไม่ต้องทํานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าวางระเบียบอย่างนี้ไว้ให้ปฏิบัติตามเพื่อจะได้ลดมานะอัตตาหรือไอ้ความมีเซลล์ของตัวเองลงไปครับ mm hmm. เข้าไปจะเป็นใครไม่รู้ทุกคนต้องไปเริ่มต้นอย่างนี้ใหม่เหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นเห็นไหมครับท่านต้องการขัดเกลารงนี้ครับทีนี้เวลาเราทําไป เราทำงานไปถ้าเรารู้สึกว่าเราทำตรงนี้ออในฐานะของคนที่ถูกใช้งานนะครับมันจะมีเซลล์แบบหนึ่งซึ่งนำความทุกข์มาให้แต่ถ้าเราวางใจดีๆนะไหนๆก็ยังมีเซล์อยู่นะครับวางใจให้เป็นเราเปลี่ยนไอตัวเซลล์ตัวนี้ใหม่ว่าเราเป็นคนที่ทำงานรับใช้ให้พระพุทธเจ้าเราทำประโยชน์ให้าศาสนาอยู่ แค่ถูพื้นนะครับแค่กวาดถูพื้นเนี่ยทําประโยชน์ให้าศาสนาทํำยังไงถ้าเราไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นพระอื่นต้องมาทํำจริงไหมครับแล้วพระอื่นเนี่ยเขาจะมาทํำไหมในเมื่อเขาซีเหนียวกว่าเราเขาก็จะรู้สึกว่าเอา้าทําไมมันเป็นหน้าที่เราทําไมเราไม่ทําเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะบอกว่าในเมื่อองค์นี้ไม่ทําผมก็ไม่ทําได้องค์ที่อาวุโสถัดขึ้นไปก็ต้องมาเจอสถานะเดียวกัน สมมติทุกองค์มีพระในวัดมีพระอยู่สิบรูปทุกองค์ไม่มีใครทำเลยเพราะด้วยเหตุผลที่บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผมเพราะไอ้องค์สุดท้ายมันไม่ยอมทำเลื่อยไปคิดว่ามันจะไปถึงใครครับต้องไปถึงเจ้าอาวาสครับซึ่งเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อปราโม้นนะครับปกติท่านทำงานอยู่แล้วคือท่านสอนท่านสอนถ้าไม่มีใครทาเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงว่าท่านจะต้องลงมาทาเองจริงไหครับ ใช้งานครูบาอาจารย์บาปแล้วครับสองก็คือว่าต่อให้ท่านไม่ทำท่านก็จะต้องมานั่งรักซักไซไล่เลียงว่าแต่ละคนทำไมไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเสียเวลาครับเสียเวลาที่ท่านจะต้อ ง, ตองแต่ที่จะได้ไปสอนได้ไปพักผ่อนได้ไปทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์คนนั้นเกิดผลผลิตที่มากกว่านั้นเขาท่านต้องมาแค่หนักใจแค่เรื่องว่าไม่มีคนกวาดถูศาลานะครับเห็นไหมครับเวลาเรา อยู่ในสังคมไหนก็ตามถ้าเรามีเซลฟ์มากนะครับสังคมนั้นจะปั่นป่วนถ้าเรามีมานะอัตตาน้อยๆหน่อยหนึ่งนะครับสังคมนั้นจะอยู่กันได้สงบร่มเย็นมากขึ้นประเทศเราช่วงที่ผ่านมาที่มันมีอุปสรรคแก้ปัญหากันไม่ได้นะครับจนกระทั่งคอสอชอต้องเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเซลฟ์ของคนอยู่2อสมกลุ่มนะครับมันมีเซลฟ์อยู่นิดหนึ่งผมไม่ได้บอกในในในเชิงของ เหตุและผลว่าเหตุและผลที่กลุ่มนี้ออกมาเพราะอะไรกลุ่มนั้นออกมาเพราะอะไรนะครับทุกคนมีเหตุผลที่ถูกต้องของตัวเองแต่ในกลุ่มที่แม้แต่กลุ่มที่เป็นคนดีคนดีก็มีเซลล์แบบคนดีครับอันนี้เป็นเป็นข้อแนะนําที่อยากให้เราลองไปสํารวจดูอย่างอย่างเรื่องที่ผมยกเรื่องกราบรถกู่ของคุณน็อตมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกคุณน็อตทําถูกนะครับเรื่องถูกผิดเป็นเรื่องหนึ่งเรายกไว้เรื่องหนึ่งตํารวจจัดการครับ กฎหมายว่ายังไงไปทำอย่างนั้นครับนะครับ เ, เรื่องรถชนรถเฉียวใครถูกใครผิดว่ากันเรื่องหนึ่งเรื่องคุณน็อตทำร้ายร่างกายจริงหรือไม่จริงแค่ไหนต้องจัดการยังไงอีกเรื่องหนึ่งครับแต่เรื่องที่ว่าเราสมควรจะต้องไปเกลียดมีเพราะว่ามันมีบางกลุ่มซึ่งเลยเถยไปถึงขั้นไปด่าแม่เขานะครับไปด่าแม่เขาเอาไข่ไปปาบ้านเขาเ อ, อเอา ที่ไปปลาร้านอาหารเที่ยวธทรนะครับอันนี้มันเริ่ม mm. เห็นไหมครับมันเริ่มเกิดกันแล้วมันเริ่มมีเซลล์ของการที่เราเป็นคนดีต้องการเห็นความถูกต้องอยู่ในสังคมเราก็จะคิดว่าจะต้องทำอะไรก็ได้อย่างนี้สุดท้ายมันอันตรายครับมันมีความอันตรายจากการที่ทุกคนไม่เห็นเซลล์ของตัวเองนะครับออมองในมุมที่มันเล็กลงมาอีกนิดนึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เรามีพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อแม่มีเซลล์ของการเป็นพ่อแม่พ่อแม่จะปกครองลูกแบบหนึง่งถ้าปกครองด้วยอาเอาเซลฟ์นานะครับเอารู้สึกว่าเพราะฉันเป็นพ่อแม่นะครับเผมเคยมีประสบการณ์จากการที่มีผู้ใหญ่นะครับมีผู้ใหญ่ที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นพ่อเนี่ยเขาต้องถูกเสมอในหลายรายครอบครัวเป็น พ่อถูกทุกอย่างลูกห้ามเถียงลูกห้ามเถียงลูกไม่มีสิทธิ์ลูกจะรู้อะไรมากกว่าพ่อไม่ได้นี่คือเซลฟ์ของพ่อครับแม่ก็จะมีเซลฟ์แบบหนึ่งแล้วลูกละครับมีเซลฟ์ได้ไหมมีได้ครับลูกก็มีเซลฟ์ของลูกเป็นธรรมดาเหมือนกันลูกก็จะรู้สึกว่าทำไมพ่อแม่ต้องบังคับตลอดเวลาที่มันมีรู้สึกว่ามีปัญหารู้สึกว่าหนักอกหนักใจอยู่เพราะรู้สึกว่าถูกพ่อแม่บังคับบังคับใครครับ บางครับกูเด็กบางคนหนักใจมากกับอาการที่มันมีเซลฟ์อยู่มากๆเนี่ยนะครับเด็กก็จะรู้สึกว่าอะไรอะไรก็กูนะครับเคยได้ยินหอะไรอะไรก็กูอะไรก็กูผิดอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยเรากำลังโดนเซลฟ์ของเราหลอกอยู่ครับถามว่าแล้วย่างงี้จะทํอยังไงวิธีหนึ่งที่ทําได้คือเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ครับ เราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นให้เขาดีได้อย่างใจเราได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้และให้คนที่ดีขึ้นเนี่ยมันมักจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่มีอัตตาเบาบางเบาบางลงเรื่อยๆทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าลองไปสังเกตดูล้วนแต่เป็นไปเพื่อการขัดเกลามาณนะอัตตาของตัวเองหมดเลยครับท่านสอนเรื่องทาน ทำทานไปเพื่ออะไรทำทานคือการสละออกในสิ่งของที่เรามีอยู่นะครับในทรัพย์ในวัตถุในสิ่งของในความถูกต้องของเราสมมุติเราทะเลาะกับคนสองคนนะฮะเอาเคสนี้ก็ได้มีคนถอยรถมาชนเรานะครับซึ่งหวังว่าจะไม่ใช่ดีเจเก่งไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะครับมีคนถอยรถมาชนเรา แล้วเรามองดูแล้วโอ้มันไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับแล้วเขาก็คงจะอยู่ในสถานะที่ต้องรีบไปนะเราก็ไม่สามารถเช่นเช่นบางคนไปต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะต้องไปส่งเราก็มีลูกเหมือนกันเราเข้าใจหัวอกเดียวกันไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับไปเถอะครับให้อภัยครับพอให้อภยัยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายถูกเซลของคนที่เป็นฝ่ายถูกเขาเป็นฝ่ายผิดมันบางลงครับ พอมันบางลงปุ๊บคอน FLICT มันเหรืวความขัดแย้งมันจะน้อยลงนะทําฐานเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมพูดถึงอภัยฐานท่านอื่นๆก็ได้อีกครับวัตถุพวกนี้เราทํากันบ่อยนะครับผมก็ได้ยินว่าที่นี่ทําฐานกันบ่อยๆอันนี้ก็เป็นการสละออกซึ่งของที่เรารู้สึกว่ามันเป็นของของเราเห็นไหมครับขัดออกครับขาดออกไปยิ่งให้เยอะเราก็เราก็มีเออ่ ความรู้สึกมีตัวมีตนที่บางลงน้อยลงเพราะฉะนั้นอย่าทำทานเพื่อสะสมมรณอัตานะครับบางท่านไปทำทานเพื่อสะสมมรณอัตตาเช่นถ้าจะทำฉันต้องทำเยอะที่สุดอันนี้เริ่มมีมาณะละเริ่มมีตัวตนมีเซลล์ของการที่เป็นที่หนึ่งต้องทำดีทำดีแบบอ่าอันต่อมาคือทำดีให้คนรู้อ่ะ ทำดีแล้วทุกคนจะต้องรู้ว่าฉันนะี่ทำเยอะนะฉันทำดีแล้วนะฉันทำสม่าเสมอฉันเป็นไปทอดกระถินก็จะต้องเป็นอะไรนะเป็นประธานกระถินเสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้บอกคนเป็นประธานกระถินไม่ดีนะครับมันดีแต่ว่าในเมื่อเรารู้จักการทำทานแล้วก็ต้องรู้จักประโยชน์ของการทำทานให้แท้จริงว่าจริงๆแล้วท่านทำเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ได้ทาเพื่อสร้างสมกิเลส ศีลครับศีลทําแล้วเกี่ยวกับเรื่องมรณะอัตตายยังไงศีลถ้าเราตั้งใจรักษาได้ดีเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเซลฟ์หรือว่าไอตัวกูของกูเนี่ยมันบางลงครับเพราะถ้าไปดูศีลทั้ง5ข้อเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวน้อยลงสี่ข้อนะครับข้อแรกอย่างนี้ครับคุณน็อตคุณน็อต โดนมอเตอร์ไซค์ขับรถเฉียวถ้าคุณน็อตรักษาสีลข้อหนึ่งคุณน็อตจะไม่ไปทำร้ายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับคุณน็อตจะเป็นอย่างคนอย่างนั้นได้ต้องมีอีโก้น้อยต้องมีความรู้สึกว่าฉันถูกทำร้ายฉันเป็นฝ่ายถูกแกเป็นฝ่ายขับแล้วชนแล้วแกจะหนีครับมันมีเซลล์ของความเป็นฝ่ายถูกอยู่ข้อแรกจะทาได้ต้องเห็นแกมีความเมตตาคนอื่น ถ้าทําไปแล้วเขาเดือดร้อนเขาลําบากเราไม่ทำเซลล์น้อยลงนะครับข้อที่2เราอยากได้ของคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่ของเราของที่เขาอาจจะจําเป็นของที่เขารักของที่เขาหวงแหนเราไม่ทําเพราะว่าเราไม่อยากให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทั้งที่เราก็อยากได้แล้วเราก็มีโอกาสจะทําได้ด้วยเห็นอยู่แล้วว่าของมันวางอยู่ตรงนี้แต่เราก็ไม่อยากหยิบเพราะกลัวเจ้าของเขาลําบากเห็นไหมครับเห็นแก่ตัวน้อยลงเซลล์มันลดลง ข้อสมคนมีเจ้าของแล้วเราไปแย่งเข้ามาเราก็ไม่ทําเพราะเรากลัวว่าเจ้าของของเขาจะลําบากเดือดร้อนได้รับความทุกข์ทรมานเราไม่ทําครับเห็นแกตัวน้อยลงอีกแล้วครับตัวตนน้อยลงมันบางลงข้อสี่เรื่องการโกหกคนโกหกเพราะว่ารักตัวเองอยากให้ตัวเองดูดีอยากให้คนอื่นมองเราในมุมที่ดีอยากให้คนอื่นฉิบหายวายป่วงไปเพื่อเราจะได้เหนือกว่าเขาเนี่ย เมื่อเราไม่ทำข้อนี้ได้ก็แปลว่าเราเห็นแก่ตัวน้อยลงครับข้อห้าอันี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเห็นแก่ตัวนิดหน่อยแต่เห็นกกบความสนุกเรื่องของการดื่มสุราเนี่ยอันนี้ผมข้ามไปก่อนแต่ว่าโดยรวมแล้วศีล ส, ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการลดความเห็นแก่ตัวและเห็นมีเมตตาคนอื่นมากขึ้นท่านก็เป็นเรื่องของการลดละมานอัตตาศีลก็ลดละมานอัตตาภาวนา ภาวนาคือการทำให้จิตเจริญขึ้นเหมือนที่ผมบอกในคลาสของน้องๆเข้าบ่อยๆนะครับทำให้จิตเจริญขึ้นจิตมีสติมากขึ้นจิตมีปัญญาสามารถแยกแยะรู้เหตุรู้ผลอะไรได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันรู้ความเป็นจริงว่าสุดท้ายไอตัวร้ายที่สุดในโลกนี่นะครับที่ทำให้เราทุกข์ได้มากที่สุดไม่ใช่คนอื่นนะครับไม่ใช่คุณทักษิณไม่ใช่คุณสุเทพไม่ใช่ลุงตู่ ไม่ใช่ใครก็ตามไม่ใช่คุณน็อตนะครับไม่ใช่คนที่ขับรถมาชนท้ายเราแต่เป็นกิเลสในใจเราเองครับนั้นตัวตนของมนุษย์เลยเป็นแหล่งสั่งสมของกิเลสถ้าเรารู้ทันกิเลสเท่ากับเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะเห็นว่าตัวเราก็ไม่ใช่คนที่ดีอย่างที่เราเคยนึกไว้เราไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ ใช้คำนี้กัแล้วกันเราไม่ใช่เป็นคนเลวนะครับแต่เราไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบอย่างที่เราเคยเข้าใจเราก็มีมานะอัตตาของเราคนอื่นเขาก็มีมานะอัตตาของเขาเรามีกิเลสของเราคนอื่นก็มีกิเลสของเขาเพราะฉะนั้นมีบางครั้งบางคราวเราเคยไปก้าวล่วงละเมิดคนอื่นเบียดเบียนเขาบ้างอย่างตัวผมเองเนี่ยเมื่อกี้ผมผมออกจากบ้านผมคิดว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงทันผมคิดว่าคิดว่า เพราะไปอยู่ในวัดสนานนะครับ <laughs> <laughs> นึกว่าการจราจรมันจะเป็นดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับเปล่าหรอกครับมันก็ยังเหมือนเดิมเป็นไปตามเหตุและปัจจัยหนึ่งชั่วโมงจากบ้านผมมาถึงที่นี่ก็ไม่ค่อยทันเพราะรถมันติดบนทางด่วนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมรีบขับเร็วกว่าปกติครับและในการขับเร็วของผมแน่นอนครับผมมีการขับซอกแซกซอกแซกครับ ปุ๊บไปปุ๊บมาปุ๊บไปปุ๊บมานั้นครั้งใดก็ตามครั้งหน้าถ้าผมเห็นรถที่เขาขับอย่างนี้นะครับแล้วผมนึกถึงพฤติกรรมของตัวเองก็เป็นไปได้ว่าโอ้เขาอาจจะเป็นครูคนหนึ่งหรือผู้ปกครองคนหนึ่งของโรงเรียนรุ่งอรุณนะเขากลังจันรีไปรับลูกเขานะครับผมก็จะไม่โกรธเขาเ <laughs> นี่ยมันมาจากการเรียนรู้จักตัวเองเรียนรู้จักตัวเองแล้วมันเห็นกิเลส ต, ตัวเองมันก็เลยไปโทษคนอื่นน้อยลง จากเดิมที่มันเพ่งโทษคนอื่นตลอดเวลาว่าถ้าเขาทายี้แปลว่าเขาเลวเขาชั่วเขาบาปเขาใช้ไม่ได้เขาอย่างนั้นเขายี้ตลอดเวลามันจะมีการพุ่งออกไปข้างนอกเพ่งออกไปข้างนอกครับเพราะคนรอบตัวเราใช้ไม่ได้ยังไม่ดีสังคมนี้มันแย่มันต่าลงมันเติแต่เราไม่ได้ดูตัวเองครับคนเดียวที่เราลืมดูแต่เราควรจะดูที่สุดคือตัวเราเองนะครับเขาถึงมีคําพูดว่าคนคนเดียวที่เราควรจะเป็นให้ดีกว่าเขาก็คือคนที่เราเป็น เมื่อวานนี้ครับถ้าเราดีกว่าที่เราเคยเป็นได้เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเราใช้ได้เรามีพัฒนาการครับไม่ได้บอกว่าออกจากห้องนี้ไปนะต่อไปนี้ไม่โกรธใครแล้วยิ้มตลอดเวลามีเงินเท่าไหร่ไปทําทานหมดอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับเราก็ยังเป็นคนธรรมดาแต่เป็นคนธรรมดาที่เพิ่มความรู้สึก ตัวแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวของเราเองบ่อยๆเท่านั้นเองครับย้อนเข้ามาดูบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆขัดเราโดยอัตโนมัติครับโดยที่เราไม่ได้ฝืนอะไรมากครับนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับเรามีศีลเราแค่รักษาศีลให้ได้ห้าข้อเนี่ยตามตำราท่านว่าเป็นไปเกิดเป็นเทวดาเรียบร้อยแล้วนะครับห้าข้อเนี่ยอยู่ในโลกนี้ถือว่าเป็นคนใช้ได้แล้วครับเป็นความมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ นะฮ ะ, ะยังไม่ต้องตะเกียกตะกายไปเป็นศีล8ดมากก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าศีล8ปเนี่ยบางครั้งมันลําบากบางคนยังต้องทํางานอยู่ถ้าเป็นคุณแม่บ้านอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นคนที่ทํางานออฟฟิศปกติเกิดวันที่ถือศีลแปดเป็นวันพระตรงกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวนันวันจันทร์ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ต้องไม่ทํางานครับศีลแปดห้ามแต่งหน้าทําไงดีครับ เอาหน้าล้นๆไปเข้าที่ทํางานเขาก็จะต้องนึกว่าโ อ, อ้คนนี้ท่าทางเด้อสงสัยทะเลาะกับสามีมาไม่มีเวลาแต่งหน้าสมมุตินะครับซึ่งจริงแล้วมันเลยไม่จําเป็นครูบาอาจารย์ท่านเลยบอกว่าศีลแเนี่ยอาจจะตึงไปสําหรับคนเมืองคนเมืองย้าว่าคนเมืองนะครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในชนบทะเราไม่ต้องไปทำํำไม่ต้องไปทํางานที่ต้องติดต่อคนอะไรมากไม่แต่งหน้าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ ไปพูดเรื่องคุณผู้หญิงเยอะเลยไม่รู้ทำไมผู้หญิงเนี่ยชอบมาฟังธรรมนะแล้วก็เคยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมผู้หญิงชอบมาฟังธรรมผมก็บอกว่าเออนั่นน่ะสิแล้วเขาบอกว่าผู้ชายไม่ค่อยมีความทุกข์เหรอผมบอกไม่ใช่หรอกแต่ผู้ชายเวลามีความทุกข์มันไปอีกทางหนึ่งนะฮะส่วนมากจะจะไปอีกทางหนึ่งผู้หญิงมีความทุกข์กวกเข้ามาหาธรรมะนะครับ แต่ว่าผู้หญิงมีสัญชาตญาณที่ดีกว่าผู้ชายนะอันนี้คุณน้องๆที่เป็นผู้ชายระวังไว้นะฮะมันมีสิ่งล่อเยอะโลกนี้มันมีสิ่งล่อเยอะให้เราดึงดูดไปในทางที่ไม่ค่อยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับอ่าวันหนึ่งเราก็อาจจะได้ความทุกข์ได้นะโดยคร่าวๆ เ, เรื่องของมรณะาตาตัวตนเรื่องของตัวกูก็เอาเท่านี้ก็พอนะครับเอ่อพราเดี๋ยวคุณพี่ท่านหนึ่งจะต้องรีบไปผมก็ ปั่นให้เลยนะครับปั่นให้เลยจะได้เนื้อหาครบถ้วนนะฮะโดยหลักการมีเท่านี้ที่เหลือมันเป็นภาคปฏิบัติต้องไปลงรายละเอียดแล้ครับว่าใครจะถนัดไปขัดเกลาในส่วนของคือทานเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันาศาสนาอะไรก็ทําเหมือนเหมือนกันศีลก็คล้ายๆกันครับมีแตกต่างกันบ้างในข้อปลีกย่อยเช่นคริสกินเหล้าได้ของเรากินเหล้าไม่ได้นะครับแล้วก็มันไปต่างกันเรื่องภาวนา ภาวนามักมักวิธีของแต่ละศาสนาต่างกันบางศาสนาเอาศรัทธานําอย่างเดียวนะคริครสต์นี่ต้องเชื่ออย่างเดียวเลยคุณเชื่อไปก่อนคุณไม่ต้องอะไรมากคุณเชื่ออย่างเดียวพูดบอกอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อมาลองทำทุก่อนมาลองทําทุก่อนพระเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวนะครับอผมเลยเรียกท่านว่าเป็นศาสดาอัลเทอร์เนทีฟนะท่านท่านไม่ค่อยทําเหมือนคนอื่นคนอื่นจะบอกว่าเฮ้ย hey, เธอเชื่อเราเถอะมาทางนี้ดี ผู้จ้าบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อมาลองทําดูเฉยๆถ้าลองทําแล้วเวิร์ได้ผลดีเช่นท่านบอกให้รักษาศีล น, นะทำทานรักษาศีลแล้วมีสติไฟนะแล้วชีวิตคุณจะแฮปปี้ขึ้นคุณจะดีขึ้นลองไปลองทําดูสักสามเดือนแล้วชีวิตมันดีขึ้นถึงค่อยเชื่อเองไม่ใช่เพราะท่านบอกนะครับโอเคมีคาถามอะไรไหมผู้ปกครองวันนี้ได้สิทธิพิเศษนะครับ ปกติต้องเป็นนักเรียนเท่านั้นถ้าผู้ปกครองอเชิญครับผมมีไมมไหยครับพ่อยอดเอาไม้ครับครับสงสัยเวลาที่เราแผ่เมตตาครับครับที่พูดว่าถึงตอนมีขัน ถ้าขันมีขันมีขันสี่ขันมีขันเดียวมีขันสี่ขันครับมีขันขันเดียวกับมีขันสี่ขันนี้เขาหมายถึงอะไรครับขันขันเดียวจะหมายถึงพรมลูกฟักครับมีแต่ร่างกายจิตเฮ้ยพรมลูกฟักพรมลูกฟักไม่มี เออเราคนละตำลาคือเท่าเท่าที่หลวงพ่อเคยบอกมีแต่ร่างกายมีแต่ร่างกายแต่จิตอ่ะมันมันดับไปและแล้วก็อยู่นิ่งๆไม่รู้สึกไม่คิดไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยอยู่เป็นกับๆเลยนะครับขันขันเดียวใชเป็นอย่างนั้นนะขันสี่ขันคือเดี๋ยวนะพวก เมื่อก่อนผมสงสัยอย่างนี้เหมือนกันเลยแล้วผมก็ไปหาคำตอบมาแล้วก็ลืมดูสิคือห้าขันนี่คือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานในพวกนี้นะครับมีรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณครบขันสี่ขั น, ขนออไม่ใช่ละเราพูดเราเข้าใจผิดขันสี่ขันข น, นี่แหละคืออรอูคือพรมพรมแบบอรู ป, ประพรมขันสี่ขันคืออรู ป, ประพรมคือมีจิตนะครับแต่ไม่มีรู มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่มีรูปเป็นอรูปภพผมอ๋อควายังชอใช้ได้อยู่ยังไม่แก่มาก <c oughs> ครับขอบคุณครับยินดีครับอ่าผู้ปกครองไม่ถามให้สิทธิเด็กๆได้ดูซิว่าห้าเดือนผ่านไปเด็กๆจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เชิญครับครับอาจจะเพึ่งหัวล้อเพื่อนอยเพิ่งหัวล้อเพื่อนก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้เชิญครับก็ไปไปเจอเอ่อเหมือนเป็นลูกสัตว์ตัวหนึ่งครับไปตลาดมาแล้วก็ซื้อของมามันติดมากับของด้วยครับคราวนี้เราเห็นมันมันเหมือนกำลังจะตายคือแบบมันมัน พอแม่มันคงไม่ได้ติดมาด้วยครับพราะทีนี้ก็เย <c oughs> เกิดสงสารขึ้นมาก็เลยแต่เราไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมอ๋อพอรู้ครับมันเหมือนลูกหนูอะแต่ว่ามันตัวสีแดงๆเลย oh. ไอ้ที่ครัวเขาบอกให้เอาไปทิ้งอะผมสงสารมันผมก็เลยเอาใส่กล่องไว้แล้วผมเอานมแย่ๆๆมัน <c oughs> แล้วแต่พอทีนี้ผมผมก็เชื่อว่าถ้าเราเลี้ยงไปเราไม่ใช่แม่มันมันก็อาจจะไม่รอดผมเลยสงสัยว่านี่เราผมพยายามทําดีสุดแล้วแล้วมันจะยังบาปอยู่ไหมเออคนอื่น <c oughs> ผม อนุมโมทนาด้วยนะนเป็นคนจิตใจดีนะครับ เ, เห็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแม้ว่าจะดูเป็นหนูเนี่ยก็ยังอุตส่าห์จะเลี้ยงมันนะครับแปลว่าเขาเป็นคนมีเมตตาเยอะออพยายามคบเป็นเพื่อนไว้นะ <laughs> <laughs> เขาใจดี <laughs> มีเพื่อนใจดีดีทีนี้ถามว่าจะบาปไหมเนี่ยตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีตรงไหนเลยที่เราเจตนาไม่ดีกับเขา เราเจตนาจะช่วยเจตนาจะให้เขารอดแต่เขาจะรอดไม่รอดมันเป็นกรรมของเขานะเราต้องวางใจดีๆนั้นคนที่จะทำงานเป็นหมอต่อไปในอนาคตเป็นหมอเป็นสัตวแพทย์เป็นอะไรพวกนี้เนี่ยต้องต้องเข้าใจหลักธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าทุกชีวิตเกิดมาแล้วยังไงเขาต้องตายครับเรารักษาเขาได้รอบนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ตายมันเคยมีหลายเคสที่บอกว่าไปช่วยสัตว์ ช่วยช่วยช่วยช่วยจนกระทั่งสัตว์รอดแล้วเอาไปปล่อยพอไปปล่อยปุ๊บผมไม่เป็นหนูนะกําลังไปปล่อยปุ๊บงูมากิน <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วจิตตกถามว่าเราเป็นคนสั่งให้งูไปกินไหมเปล่านะเพียงแต่เราไปยึดเราไปยึดว่าเขาเป็นสิ่งที่เราอุ้มชูมาเขาควรจะมีอายุยืนยาวต่อต่ อ, ต, อต่อไปเรากําลังยึดละไม่จําเป็น เชิญครับคุณแม่จะขอออกไปกล่อง น, นะคะคือว่ามีนัดกับเพื่อนนะคะสามโมงว่าจะไปที่พระบรมหาละชวังเพื่อสักการะพระบรมกรุของพระเจ้าอยู่หค่ะแล้วก็เห็นในภาพที่เวลาคนที่เข้าไปข้างในนะคะที่เห็นเขาตั้งจิตอธิฐานนะคะสิ่งที่เราอยากจะควรจะสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะอธิษฐานให้พระเจ้าอยู่นะัวเราก้าวเราควรจะอธิฐานอย่างไรคะ ผมจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องอธิษฐานเลยก็ได้ครับท่านสบายกว่าเรามากครับตอนนี้ <laughs> ท่านแฮปปี้สุดๆครับว่ากันโดยดทฤษฎีตอนนี้ท่านอยู่บนสวรรค์ช่านดูสินะครับน่าจะอยู่กับสมเด็จย่าเนี่แหละสบายครับไอที่ลำบากก็คือพวกเรา <laughs> ถ้าอธิษฐานอธิษฐานให้ตัวเองก็ได้ครับแต่ว่าสมมติเรามีบุญแล้วนึกถึงบุญเราก็ไปถวายให้ท่านจบครับ ขอถว า, ายบุญกุศลที่เราทามานะเพื่อให้ท่านได้ต่อยอดเป็นพระโพธิสัตว์ที่เจริญบา ร, รมยียิ่งขึ้นไปนะแต่ที่เหลือไม่ต้องห่วงท่านลนะห่วงพวกเราได้ครับค <c oughs> <c oughs> ำถามต่อไปครับแต่ไม่ต้องห่วงด้วยนะครูบาอาจารย์บอกว่าท่านอยู่แป๊บเดียวเพราะว่าพระโพธิสัตว์โดยธรรมชาติจะไม่สวยบุญนานนะท่านจะจุติลงมา สร้างบารมีต่อแต่อันนั้นเป็นข่าวดีข่าวร้ายคือหนึ่งวันของดุสิตเนี่ยเท่า <laughs> กับกี่ปีก็ไม่รู้ในโลกมนุษย์นะครับงั้นก็อาจจะนานนิดนึงเราเจเนเรชันเราไม่รู้จะทันหรือเปล่าเลยครับอาเชิญครับเชิญครับวันนี้ถ้า ถ้าสมมุติว่าเราลดเซลล์ของเราลงไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เกิดอย่างที่บอกว่าเสื้อเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ไม่ออกมาต่อต้านคุณน็อตแล้วอย่างนี้สังคมมันจะเป็นแบบไหนคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคือจะบอกว่า มันมันเป็นคอนเซิร์นเป็นความห่วงใยแบบเดียวกับที่ยุคหนึ่งเคยมีคนตั้งคำถามว่าถ้าศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมากๆในประเทศเราแล้วผู้ชายไปบวชหมดแล้วจะทำยังไงคำตอบคือมันไม่เกิดขึ้นครับมันไม่เกิดขึ้นผมพูดในที่นี้มีคนอยู่แค่ไม่กี่คนสิบกว่าคนผมพูดเพราะว่าในฐานะที่เราได้มาเตียนมาเจอกันเนี่ยคือเราต้องมีบุญอะไรร่วมกันมาก่อน ความบังเอิญไม่มีในาศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้ผมก็จะถือหลักว่าจริงๆผมจะบอกเฉพาะคนที่ผมบอกได้แล้วก็บอกเฉพาะคนที่ผมเป็นห่วงเป็นใยนะครับสมมุติในกลุ่มในนี้ทุกคน อ, อ, อยู่ในกลุ่มที่ออกไปต่อต้านบนถนนกันหมดตอนนู้นนะครับที่ไปไล่ทักสินกันแล้วทุกคนเชื่อผมหมดเลยสมมุตินะครับส ม, มเก่งมากขนาดนั้นมีคนเชื่อผมหมดเลย ทุกคนตั้งมั่นสงบไปทำกฤฤฤฤฤฤิจทุกของตัวเองไปทำบุญทำทานไปอะไรอย่างนี้ก็จะมีคนที่ออกไปบนถนนน้อยลงแค่ประมาณไม่กี่สิบคนอันนี้แบบเบสเคสซีนาริโอเลยนะครับแต่ผมพูดไปอย่างนี้ก็จะมีคนเชื่อผมอยู่แค่ประมาณสามสี่คนครับที่เหลือเขาก็จะต้องมีเหตุผลของเขาซึ่งผมเข้าใจครับนั้นผมมีเพื่อนทั้งสองแบบ พ่อตาผมเป็นเสื้อแดงครับพ่อตาผมเป็นเสื้อแดงภรรยาผมเป็นฝั่งคุณสุเทพครับนะฮะผมในครอบครัวผมมีทุกฝ่ายครับผมเข้าใจทุกคน <laughs> ผมเข้าใจทุกคนผมเข้าใจทุกคนหวังดีกับบ้านเมืองแต่ด้วยเหตุผลที่ต่างกันเขาก็เลยทาสิ่งที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องถุกครับนะครับ ผ ม, ผมก็แค่มีหน้าที่คอยปฏิภาณอมอไม่เป็นไรหลอกพ่อเขาก็เห็นแบบของเขาเอาพอภรรยาจะร้อนๆก็เอไม่เป็นไรหลอกนะมันเดี๋ยวมันแต่ผมก็บอกอย่างหนึ่งเสมอว่าทุกเรื่องนะครับไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไป <c oughs> เดี๋ยวมันก็ผ่านไปตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเห็นไหมครับแม้จะยังอุ่นๆกรุ่นๆอยู่บ้างเอเพราะ มีคนไปร้องไห้ซื้อข้าวหรืออะไรเงี้ยนะเัาจะเริ่มมีกลุ่นๆกันขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคืออันนี้ผมพูดในมุมที่ว่าเราต้องรักษาใจเราเคสคุณน็อตก็เหมือนกันครับมีคนในโซเชียลเน็ตเวิร์เป็นล้านคนพร้อมจะจัดการทำหน้าที่ความรักษาความถูกต้องในสังคมอยอยู่แล้วครับทั้ง สมมติในที่นี้ทุกคนเลิกใช้ Facebook ไม่ไปยุ่งกับเรื่องดราม่าต่างๆในสังคมอีกเลยนะก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องแบบนี้จะจบลงครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำหน้าที่เท่าที่ผมทำได้ผมก็บอกว่าถ้าจะทำ ก, ก็ทำตามสมควรเช่นบอกว่าเอ้คุณทำางนี้ไม่ถูกนะเฮ้ยทำไมคุณต้องทำลายร่างกายเขาแต่ไม่ต้องไปด่าว่าพ่อแม่ไม่รู้จักสั่งสอนเรื่องไงทาไมเอาอะไรมาคิดอะไรอเันเนี้ยมันสุดโตงไหม ทางสายกลางมันมีผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำอะไรเลยยังผมมีเพื่อนที่เป็นกอปปะสเนี่ยผมก็จะบอกว่าโดยเหตุและผลที่เขาจะออกไปผมเห็นด้วยโดยเหตุผลนะครับโดยหลักการโดยลอจิกแต่วิธีการเป็นอีกเรื่องหนึ่งวิธีการที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำยังไง <c oughs> ผมแค่จะทักเพื่อนบางคนที่บอกว่า เขาเห็นด้วยกับการไปยึดกระทรวงการคลงังซึ่งผมบอกว่าผมไม่ไม่สบายใจผมรู้สึกว่าอันนั้นน่ยสุดโตง่งในในมุมของผมผมไม่ได้บอกผมถูกนะผมแค่บอกว่าในมุมของผมผ ม, ผมว่าวิธีนั้นสุดโต่งไปถ้าไปเดินบนถนนเดินขบวนไปเรื่อยๆโอเคเพราะมันเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ทําได้นะครับแล้วมันไม่ได้ทําให้มันไม่ได้ทําให้กระบวนการบริหารประเทศมันมันมันผิดปกติหรือว่ามันอะไรเนี้ยนั้น แต่ละคนเนี่ยคําว่าพอดีของแต่ละคนเน่ยมันไม่เท่ากั น, นครับมันเป็นไม้บรรทัดที่มันต่างกันมันไม่ได้เป็นทุกคนใช้มาตราเดียวกันขนาดวัดความยาวบางคนยังใช้เซนติเมตรบางคนยังใช้นิ้วบางคนยังใช้หลา่าบางคนใช้แบบแบบโบราณของพุทธก็จะมีพัสนิ้วภสดุคตมีคืบมีวามีอะไรทุกคนมีมาตราของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เราแค่เราแค่พยายาม หาจุดที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ไม่กระทบกระทั่งกันมากครับขอบคุณครับแต่ถ า, ถามดีครับตีนี้ถามเชลยนะครับ <c oughs> ใช้ความเงียบเป็นคำถาม คือถ้าไม่ถามก็อยากฟังเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับประเด็นไหนโอเคอยากฟังในมุมไหนครับมันมีเยอะมากเลยอะ่ะถ้าเล่าเนี่ยอยู่ถึงเที่ยงคืนอะอือ๋อ จริงๆมันมันถามว่าก่อนที่จะเข้าไปเอ่อก่อนที่จะเข้าไปครูก็ ก, ก็ก็รู้จักประมาณหนึ่งนะเข้าใจาศาสนาพุทธโดยโดยเนื้อแท้โดยประมาณหนึ่งอยู่แล้วสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปมากก็จะเป็นเรื่องของเรื่องพระวินัยมากกว่าเพราะว่าพระวินัยเนี่ย227ข้อเนี่ยเราไม่เคยอ่านจริงๆเลยว่าแต่ละข้อมันพูดพูดว่าอะไรและเจตนาของแต่ละข้อพูดว่าอะไร มันจะมีหนังสือเล่มนึงที่เขารวมไว้เป็นเรื่องของพระวินัยนะครับแล้วเขาบอกว่าต้นบัญญตัติเป็นต้นบรร ญ, ญัติของพระวินัยแต่และข้อไปอ่านแล้วสนุกมากอ่านแล้วแบบขำบางข้อนี่ฮามากเลยนะครับว่าคิดได้ยังไงคือไ ม, ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าคิดได้ยังไงนะหมายถึงไอ้คนที่ทําผิดอ่ะมันไปคิดได้ยังไงนะครับ เ, เช่นยกตัวอย่างามีพระวินัยข้อนึงบอกว่าห้ามพระเล่นจีเอวกัน เราก็ทำไมต้องไปกนะ็ไปอ่านดูครับในสมัยพุท ธ, ธกาลจะมีภิกษุอยู่กลุ่มหนึ่งเขาจำไม่ได้ว่ากี่คนนะมีไม่กี่คนเขาเรียกว่ากลุ่มนี้เรียกว่าฉับพักคีพรฉับพักคีจะเป็นกลุ่มที่มี creativity ความคิดสร้างสรรค์มากครับคือแกจะไปทำอะไรเพี้ยนๆอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็จะห้ามครับพอห้ามเสร็จตรงนี้แกก็จะมาตรงนี้ครับนะฮะเช่น ผู้เจ้าบอกว่าห้ามห้ามเสพเมถุนนะครับคือห้ามมีเซ็กส์นะครับห้ามมีเซ็กส์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆนะครับแกก็ไปเข้าใจว่าอ๋อท่านหมายถึงว่าห้ามห่มจีวรแล้วมีท่านก็จะถอดจีวรออกแล้วก็ไปมีเซ็กส์ <laughs> <laughs> นี่คือตีความอย่างนี้เลยครับพู้เจ้าก็ต้องคอยออกอนุบัญญัติเพื่อมาออกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ถ้ามีปุ๊บนับหมดนะครับ รหรืออย่าง GL เนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ชาพักคีเนี่ยแะครับกลุ่มนี้แกไปแกล้งคือแกจะมีจะมีคู่ปรับกันอยู่เป็น2 อ, อแก๊งนะฮะเป็นแก๊งเรียกเป็นแก๊งแล้วกันนะฮะอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะจะเด็กกว่านะฮะชาพักคีก็จะชอบไปแกล้งไอ้กวนนี่มากเลยนะครับเขาจะเป็นคู่หูคู่ปรับกันมาตลอด เ, ออเช่นเอาเอ า, เอาบาทไปซ่อนนะฮะ เอาบาทไปซ่อนแล้วทําให้เนี่ยไปบินธบาทไม่ได้เนี่ยผู้เจ้าก็ต้องออกบัญญัติว่าห้ามซ่อนบริขารเป็สี่อยู่ข้อนหนึ่งห้ามซ่อนบริการถ้าซ่อนอันนี้ น, นี่ผิดปาจิตตี้ซ่อนอันนี้นี่ผิดอะไรอย่นีนนะครับก็มีข้อปีกย่อยกันไปพอห้ามซ่อนนี้ก็ไปแกล้งใหม่ครับเช่นไปจีเอลไปจีเอลให้หัวเราะจนกระทั่งแบบจะขาดใจอ่ะ ะะแล้วมันมีรูปหนึ่งจริงๆคือพระรูปหนึ่งโดน G ีเอจนขาดใจตายพระเจ้าเลยบอกว่าไม่ได้ต่อไปมีห้าม G ีเอมันมีที่มา อ, อแล้วมันก็หาเรื่องอีกครับเพราะไม่มีเลยทําไปไหวยน้ําเล่นครับไหว้น้ำํำเฮฮาสนุกสนานพระเจ้าก็ออกบัญญัติดีกว่าห้ามพระไหว้น้ําเล่นน้ําไม่ได้นะครับเล่นน้นํานี่รวมไปถึงว่าไปนั่งนั่งจุ่มขาแล้วก็ อย่างเี้ยแกว่งขาสนุกสนานวักน้ำเล่นไม่ได้นะครับอาบัดครับคําไม่เห็นไหมอ่าแล้วก็ขําอว่านี่อีกข้อหนึ่งครับห้ามหลอกผีครับเอาจีวรมาคุมอย่างงี้แล้วก็แฮนี่ครับอยู่ในสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อครับ ส่วนมากแล้วเกิดมาจากไอ้กลุ่มนี้แหละครับฉับพักขี่นี่แหะครับคือแกจะทำอะไรที่แบบฮึมมคิดได้ยังไงเนาะอะไรเงี้ยสนุกสนานอ่าจริงมันมีบางข้อก็ก็เอาเอาท่านี้ก่อนละกันมีอะไรอีกเนอะคือศีลเนี่ยมันจะมี มันจะมีลำดับของมันนะครับว่าร้ายแรงที่สุดต้นๆจะอยู่ต้นๆเขาเรียกว่าปาราชิกมีสีข้อนะครับห้ามมีเซ็กส์ข้อหนึ่งห้ามหยิบเอาของคนอื่นนะครับที่เจ้าของไม่ได้รู้อนุญาตโดยมีเจตนาว่าจะครอบครองเขาเรียกไถยจิตมีไถยจิตคือสมมติบอกว่าอ๊ยแก้วน้ำอันนี้สวยจังเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับไปบ้านอันนี้มีไถยจิตละอยากได้ มีความอยากได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าของเนี่ยมูลค่าเกิน5มาศก5มาศเป็นหน่วยเงินของของแคว้นมาคตสมัยนู้นนะครับปัจจุบันนี้เขาเคยมีการตีความซึ่งแต่ละสํานักไม่เหมือนกันบางตีบางสํานักเอาโหดโหเลย5้ามาศคือ5บาทนะครับโหดมากบางคนบอกว่า5้ามาศคื อ, เ, อ, อเทียบกับข้าวเปลือกเขาไปเอาเอ า, เอาเงิน5้ามาศของสมัยมาโครมาชั่งน้ําหนัก มีน้ำหนักทองเท่าไหร่น้ำหนักทองแดงเท่าไหร่น้ำหนักเงินเท่าไหร่แล้วตีราคาออกมาตรงนั้นครับบางคนก็เอาน้ำหนักนั้นเสร็จก็เทียบบอกว่าเทียบกับทองน้ำหนักเท่ากับเข้าเปลือกยี่สิบเมล็ดเขาก็คำนวณคำนวณอ๋ได้หนึ่งสลึงหนึ่งสลึงตอนนี้ทองสองหมืนก็ประมาณห้าหมื่นบาทเฮ้ยห้าพันบาทขอไปถ้าของมูลค่าเกินห้าพันบาทครับหยิบขึ้นมาพ้นจากที่ตั้งปุ๊บ ปาลาชิกทันทีนะครับอันต่อมาคือห้ามฆ่าคนตายนะฮะไปสั่งเขาฆ่าก็ไม่ได้แต่มันมีข้อปลีกย่อยที่อ่านแล้วก็น่าสนใจนะครับคือสมมติว่าผมเป็นพระผมไปจ้างพระอีกรูปหนึ่งนะชื่อพระเอก็ด้ชื่อพระเอนะครับพระเอผมบอกว่าพระเอให้ไปฆ่า นมคนนั้นอะ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเรา อ, ะอ่ะอ่าชื่ออะไรนะอ่าคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้อ่าชื่อชื่ออะไรนะแทนอ๋อโอเคผมบอกว่าเนี่ยโอ้ผมไม่ชอบหน้าแทนเลยพระเอไปฆ่าแทนให้หน่อยเออย่างไงี้นะครับถ้าบอกแค่นี้แล้วพระเอไปทาตามที่ผมบอกฆ่าแทนเสร็จ แทนตายผมปาลาชิกทันทีแต่ถ้าผมบอกว่านี่นะเอามือถือนี้ไปนะแล้วไปตีหัวแทนให้ตายเลยนะนะครับแล้วพระเอเนี่ยเกิดรู้สึกว่าเอ้ไอ้นี่มันจะช้าไปเอาค้อนเลยละกันค้อนจะเร็วกว่านะครับก็เอาค้อนไปทุบโป้งแทนตายผมไม่ผิดครับผมไม่ปาราชิกครับเพราะ คนที่รับคำสั่งไปทำผิดคำสั่งผมบอกให้เอามือถือเครื่องนี้ไปทุบดันไปเอาค้อนไปทุบเนื่อผมไม่เกี่ยวมันมีข้อผิดย่อยอย่างนี้นครับตลกดีตลกดีแต่ว่าอย่าลืมนะอันนั้นคือผิดทางทา ง, ทางทางธรรมแต่ทางโลกก็ยังผิดอยู่ดีจะไปสั่งฆ่าด้วยวิธีไหนแล้วทำตามนั้นไหมก็ผิดอยู่ดีนะครับมันมี2 ส, ส่วน ไม่ได้แผลว่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผิดศีลข้อประราชิกแล้วจะรอดตัวไปได้นะครับมันก็ยังผิดในข้ออื่นๆอยู่ผิดเรื่องปาจิตตีผิดเรื่องอะไรอย่างนี้ลองลอง ล, อ ง, ลองมาอ่มีคำถามาไหมครับแล้วเรื่องอะไรคะเพราะเรื่องเรื่องที่เห็นได้เยอะที่สุดแล้วก็มีผลมากคือเรื่องของตัวตนซึ่งพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับเออแล้วก็เรื่องของว่าเวลาเราอยู่เป็นพระอยู่นานๆไปเนี่ย มันมันจะรู้สึกแห้งลงแห้งลงเนี่ยคือพระเจ้าเคยเปรียบว่าคนที่อยู่ในโลกใช้ชีวิตปกติแต่งงานมีครอบครัวมีแฟนมีอะไรพวกเนี้ยเหมือนมันอยู่ในกามคนที่อยู่ในกามเป็นปกติเนี่ยอยู่ใช้ชีวิตอ่าเนีอยู่กับ k f c อฟซีแมกโตก็เป็นกามแบบหนึ่งคือเรื่องของเอ่อกามทางลิ้นทางรสชาติทางสัมผัส ออชอบนอนเตียงนุ่มๆก็เป็นสัมผัสใช่ไหมครับสมมุติชอบดู the Voice นะฮะชอบดู The Voice ก็เป็นกามทางหู oh. เราได้ยินเสียงเราชอบสมบัางคนน่ารักด้วยนะครับสวยด้วยน่ารักด้วยหล่อด้วยอย่างนี้ก็เป็นการทางต า, าเราอยู่กับการตลอดเวลาเนี่ยเปรียบเหมือนไม้ที่แช่น้ําอยู่ไม้ที่แช่น้ําอยู่จะเอามาจุดไฟยากครับ มันติดไฟยากแต่พอเป็นพระแล้วเนี่ยเหมือนตัดไม้ที่แช่น้ำเอาเอาไม้ที่แช่น้ําเอาขึ้นมาไว้บนบกมันจะค่อยๆแห้งลงไปเรื่อยๆนะครับพอแห้งลงไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งจุดไฟมันจะติดง่ายขึ้นเรื่อยๆไฟในที่นี้หมายถึงว่าความรู้ความเข้าใจการที่เราจะมีปัญญาดวงตาเห็นธรรมอะไรพวกนี้มันก็เป็นเหมือนแสงสว่างนะครับนะอันนั้นก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งพออยู่ ห้าเดือนก็รู้สึกว่าเออใจมันมันแห้งขึ้นเรื่อยๆเนาะหลวงพ่อยังบอกเลยว่าวันสุดท้ายที่จะบวชท่านบอกว่าอืมภาวนากําลังดีจาสึกละภาวนากําลังดีจะสึกล ะ, <laughs> กล ะ, กละท่านบอกว่าเปลี่ยนใจยังทันนะอะไรเงี้ยเราก็อืมรับงานทั้นบนแล้ว <laughs> มีกรรมเนาะมมีคําถามไหมครับ ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทุกคนจะต้องมีความเครียดบอกเครียดทุ ก, ก็จะทุกไปให้เราปรึกษาใครใครก็จะบอกว่าให้รู้จักปล่อยวางก็จะถามว่าปล่อยวางนี้คืออะไรคะปล่อยวางเนี่ยหลงวงพ่อชาท่านบอกว่าท่านเหมือนเหมือนคนแบกหินมาหินก้อนใหญ่ๆสมมติหินขนาดเท่าเก้าอี้นี้เนาะแล้วให้เราแบกใส่หลังไว้อะแล้วเราหนักแล้วเขาก็บอกให้ก็เอาวางลงสิ เราก็จะไม่วางเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าไอ้ก้อนเนี้ยสําคัญสําคัญกับเรามีความหมายกับเราเ อ, อเจ้าคุณทวดมอบเป็นมรอดอกไว้เมื่ออะไรเงี้ยแปดสิบปีก่อนสมมตินะครับหรือมันสวยมันดีมันมีความหมายมันอะไรก็ตามแต่เราก็จะแบกมันไว้เพราะเรายึดไว้ครับการแบกมันคือการยึดแต่เรา จะวางได้โดยการสั่งไม่ได้ธาตุจิตคือต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าศา ส, สนาพุทธจะสอนพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องหนึ่งว่าจริงๆไอ้ตัวตนของมนุษย์เรามันไม่ได้มีจริงมันมีเป็นชั่วคราวมันมีเฉพาะในความคิดครับอย่างท่านเคยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยคุณลองชูมือขวาขึ้นมาชูมือขวาขึ้นมาชูชู ช, ชูแล้วก็สั่นสๆ่ รู้สึกไหมว่าเราเราไม่ต้องมองเลยนะเราไม่ต้องเอาตาไปมองเลยนะรู้สึกไหมว่ามีมือขวาสั่นอยู่รู้ใช่ไหมครับแล้วมือขวามันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเรามันพูดไหมมันไม่ได้พูดใครเป็นคนบอกว่านี่มือเราจิตจิตเราเป็นคนไปบอกถูกจิตมันหมายลงไปว่านี่คือเราความเป็นตัวเรามันอยู่ตรงไหนไล่มันาตั้งแต่หัวเลยครับ จนถึงปลายเท้ามันไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยนี่ก็หัวครับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนไรอะไรเงี้ยพุงเราสะดือเราเอาคำว่าสะดือเราเอาคำว่าอะไรเนี้ยหัวเข่าเราขาเราแขนเราบ้านเราสามีเราลูกเราเงินเราชื่อเสียงเราหน้าตาเราความสุขเราเราเอาความเป็นเราไปใส่ด้วยความคิดเท่านั้นเอง่ร ทุกอย่างนี่มันสมมุติอยู่นะถ้าลองดูดีๆจริงๆครับคนที่คนที่ขับรถมาครับใครเป็นคนบอกว่ามันเป็นรถเรากร ม, <c oughs> มขนส่งทางบกกรมขนส่งทางบกสมมุติเอาออกสมมติให้เล่มนึงปั๊มชื่อเราลงไปพิมพ์ชื่อนี่นี่นางสาวนี้นายนี้คนนี้เป็นเจ้าของรถสมมุติเอากรมขนส่งทางบกมาจากไหนครับ ก็สมมติขึ้นมารัฐบาลตั้งรัฐบาลมาจากไหนครับสมมติเอาอีก <c oughs> ในโลกมันมีแต่เรื่องสมมติครับแต่เราไม่เห็นพอเราไม่เห็นปุ๊บเราก็ยึดเรายึดว่าอัเนี่ยมันมีอยู่เราอ่ะมีอยู่กลับมาเรื่องเราก็เลยปล่อยไม่ได้ครับเฉะนั้นการพูดว่าปล่อยวางเนี่ยมันเป็นการใช้ปัญญาในระดับของจิตมีปัญญาไม่ใช่ เราคิดเอาเองเราคิดเอาเองเขาไม่เชื่อครับเพราะจิตเขามีความเชื่อของเขาอย่างนี้ว่ามันมีตัวตนอยู่นี่นาเนี่ยข้างในเนี่ย ม, มีเราอยู่คนหนึ่งเพราะเรายังไม่เห็นที่เราไม่เห็นเพราะว่าความเป็นมนุษย์มันประกอบด้วยขันห้าขันครับเหมือนที่คุณผู้ชายข้างหลังเขาถามเมื่อกี้ว่าบดแผ่เมตตามีขันห้าขันมีขันสี่ขันมีขันขั น, ขนเดียวคืออะไรมันคือองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ครับพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ว่าองค์ประกอบความเป็นมนุษย์คือนี้ นี่คืออะไรครับมือใช่ไหมครับคุณบอกว่ามือและนี่คืออะไรครับนิ้วโปง้งหามือไปไหนแล้วมันก็ยังอยู่บนมือเห็นไหมแต่พอแยกมันออกมาปุ๊บอันนี้คืออะไรครับนิ้วชี้นิ้วกลางผมไม่ชูนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะดูไม่สูภาพนะครับเนี่ยถ้าแยกนิ้วออกมาทีละนิ้วเราก็จะเรียกชื่อของมันมันมีลักษณะเฉพาะของแต่ละส่วนอยู่เห็ไหมครับ องประกอบความเป็นมนุษย์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมันเพียงแค่มาประกอบกันอยู่อยู่ด้วยกันเราก็เลยเรียกชื่อว่ามือในตัวเราก็เหมือนกันเรามีรูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมารวมกันเราก็รู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมาดังนั้นถ้าไปฝึกที่ผมบอกว่าทานศีลและภาวนาภาวนาคือเรื่องการปฏิบัติในรายละเอียดลงไป ไม่ว่าจะไปภาวนาด้วยวิธีไหนจะต้องใช้สติขึ้นมาก่อนนะครับมีองค์ธรรมอันหนึ่งที่พระเจ้าสอนเรื่องการบรรลุธรรมจะบรรลุธรรมได้ต้องมีองค์ประกอบลำดับของการบรรลุธรรมหนึ่งคือท่านเรียกว่าหมวดนี้ว่าโพชงครับมี7ข้อโพชงเริ่มด้วยสติสัมโพชงมีสติก่อนจากมีสติแล้วธรรมวิจยะคือไปวิจัยเรื่องความจริงความจริงว่าด้วยตัวเราเองครับ ตัวเราเองประกอบด้วยอะไรบ้างขันทั้งห้าขันเป็นเราจริงหรือเปล่ามองดูไปก็จะเห็นว่าออไม่ใช่เราขันนี้ก็เป็นแค่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เรามันมีแต่เอาชื่อเราไปพ่วงท้ายว่าเราสุขเราทุกข์เราอย่างนั้นเราอย่างนี้จริงๆมันเป็นแค่เวทนาครับเป็นการทำงานอย่างหนึ่งของจิตเท่านั้นเองโน้ตมีคนมาด่าเราหนึ่งคนมีคนมาด่าเราจะมีความสุขไหมครับ ไม่มีครับเป็นคนปกติดีมากเราไม่มีความสุขเรามีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่สบายใจเบียธนาเกิดขึ้นมีความทุกข์ใจไม่ชอบคิดเริ่มคิดแล้วเอาไงดีจะตอบโต้มันยังไงดีเนี่ยสังขารทำงานแล้วครับแต่เขาทำงานเป็นอัตโนมตัติเป็นทีมเ w ิร์อยู่ด้วยกันหมดปุ๊บ๊๊บบบ๊แล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังทำงาน มันมีความเป็นตัวเราขึ้นมาถูกหลอกครับจริงๆแล้วถูกหลอกงั้นหน้าที่เราเพียงแค่เอาสติแล้วไปวิจัยความจริงว่าด้วยตัวเองดูกายดูใจตัวเองผมถึงบอกว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในโลกนะครับตั้งสติแล้วย้อนมาดูตัวเองไว้รักษาใจเราให้ดีก่อนยังไม่ต้องรีบไปห่วงในหลวงห่วงตัวเองผมถึงบอกให้ห่วงตัวเองไม่ต้องห่วงคุณมอเตอร์ไซค์มากว่าเดี๋ยวเขา มีคนจัดการแน่นอนครับคุณน็อตไม่รอดหรอกครับอย่างเงี้ยคือเราโมวแต่ไปสนใจเรื่องคนอื่นเราลืมดูตัวเราเองเราเองอมีทวารซาหรือเปล่าเราเห็นว่าคุณน็อตทาไม่ดีเพราะจริงๆเพราะอะไรเพราะคุณน็อตขาดสติเราเองก็ขาดสติครับเพียงแต่เราไม่ขาดสติขนาดที่ไปทําร้ายคนอื่นแต่ถ้าเราลงไปบนคีย์บอร์ดแล้วเราเริ่มพิมพ์ไปชาดชั่วโง่เลว็วอะไรเงี้ยนะครับเราก็กําลังทําร้ายเขา ไม่ต่างจากที่คุณน็อตทําร้ายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันขาดสติโดนโทสะครอบต่างกันตรงไหนครับเราเหมือนกันเลยเราเหมือนกับเขาเท่ากันเลยสติธรรมวบิจยะนะครับแล้วจะเกิดวิริยะคือความเพียรในการที่จะสนใจดูกิเลสตัวเองลดการทํำบาปอกุศลลงเพิ่มการทํากุศลขึ้น วิริยะและเกิดปีติครับจะแฮปปี้ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นปัจสัตธินะครับเกิดความสงบใจมันจะสงบลงวางไม่วา ง, ไ ม, วางไม่รู้นะเรื่องของจิตเรามีหน้าที่รู้ครับถ้าเขาแบกอยู่รู้ทันว่าแบกเราไปสั่งให้เขาปล่อยไม่ได้ครับแต่เราดูจนกระทั่งจิตเขาเริ่มฉลาดเองว่าเนี่ยเห็นไหมเธอแบกเธอเลยทุบเนี่ยเพราะว่าแบกอยู่เลยทุบ ก็บอกไปบ่อยๆครับบอกไปบ่อยๆจนกระทัยย่ ง, งเขาเห็นเองในวันหนึ่งแลวเขาวางได้เองนั้นคำว่าปล่อยวางในทางศาสนาพุทธจึงเป็นเรื่องของการใช้สติและปัญญาไม่ใช่การบังคับบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้จิตไม่ใช่เราครับเหมือนที่มือก็ไม่ใช่เราขานี่ก็ไม่ใช่เรานะพอเข้าใจนะครับเชิญไหมครับ จะถามเรื่องการรู้รกายรู้ใจอะ ค, ะค่ะคืออย่างอย่างคือมีปัญหานิดนึงคืออย่างเวลาเออรู้กายอย่างเงี้ยเช่นเวลาเราเดินเรารู้สึกถึงการสั่นของเวลาส้นเท้าที่กระทบพื้นนะคะคก็คือการรู้ว่าเราเดินอยู่แต่ทีนี้แบบบางทีมันเหมือนกับว่ า, วาพอมันเดินแล้วแทนที่เราเราไม่แน่ใจว่าเราคือเราก็รู้ว่าแบบมันมีแรงสั่น เวลาเราก้าวแต่ละก้าวอย่างเงี้ยค่ะแต่ไประมามันจะคล้ายๆกับว่าเรากําลังคิดว่าเรากําลังเดินอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็รู้สึกบางทีมันก็รู้สึกว่าตัวเองคิดก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆมันรู้สึกหรือว่าเป็นพราะเราคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหรือว่าถ้าเปิดดูที่ใจอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราเอโกรธอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาบอกให้ดูเข้าไปว่าแบบมันเป็นความรู้สึกยังไงมันทึบมันมืดหรือมันอะไรยังไงเนี้ยค่ะ แต่ก็จะรู้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ก็คือจะรู้แต่ว่าโกรธโกรธก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่รู้ว่าโกรธนี่คือเราคิดเอาเองว่าเราโกรธหรือว่าเราเรารู้จริงเราถ้าเกิดคิดเนี่ยทำยังไงมันถึงจะรู้ได้อะคะตอนนี้รู้ไม่ว่าสงสัยรู้ค่ะรู้ว่าตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นรู้ว่าสงสัยเนี่ยคิดเอาปะรู้สึกค่ะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นลักษณะแบบไหน มัน ส, สยัยละเห็นไหม ม, ห <laughs> มันมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่า เ, เส้นผมบางภูเขาครับจริงๆแล้วผมเข้าใจมากเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามแรกๆตอนที่ผมไปเรียนกับหลวงพ่อปาโม m a แล้วผมถามท่านผมถามอย่างนี้เลยผมผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าผมรู้จริงๆหรือว่าผมคิดเอาท่านก็บอกว่าเออมาทุกทังนะ เพราะว่าไอ้คนที่มันเริ่มมาดูกายดูใจเนี่ยมันจะสงสัยอย่างนี้ทุกคนครับคือมันเหมือนมันเป็นใช่ค่ะมันเหมือนกับเอ๊ะตกลงนี้เราคิดอยู่หรืเอเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลักในการรู้กายรู้ใจอยู่ข้อหนึ่งการรู้กายรู้ใจก็ให้รู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดครับแปลว่าตอนที่เราสงสัยตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเท้ากระทบเอ่ออะไรพวกนี้แล้วไม่ใช่แหครับไอ้เท้ากระทบแล้วสันสันไม่สันเนี่ย มันจบไปแล้วแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันตอนนั้นคือจิตมันสงสัยอยู่ครับให้รู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันเพราะถ้าคุณไปพยายามรู้สิ่งที่มันจบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนัน่นแหะคุณคิดนึงออกไหมครับธรรมะเกิดขึ้นขณนะเดียวครับแป๊บความจริงนะตอนที่จิตมันตัดก็ตัดที่ปัจจุบันครับไม่ได้ตัดตอนอดีตมันตัดแป๊บ๋ยวตรงนี้นะครับเรารู้สิ่งที่เป็นเดียเ๋ยวนียสดสดใหม่ๆสดๆดใหม่ๆ ถ้าจิตมัน อ, อยู่กับการเดินแล้วมันรู้สึกอยู่ว่าร่างกายกำลังเดินนั่นก็คือปัจจุบันแบบหนึ่งแต่ถ้ากำลังเดินอยู่แล้วจิตหนีไปคิดคิดฟุ้งซ่านและเริ่มสงสัยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะเดินแบบเนี่ยปัจจุบันตอนนั้นอีกอันหนึ่งที่มันชัดกว่าเด่นกว่าคือความคิดก็รู้ทันว่าคิดครับไม่ต้องทาอะไรเยอะ ก็เผื่อเราคิดว่าเรากำลังเดินนี่ก็ให้รู้ทันว่ายังไงให้รู้ให้รู้ทันว่าสงสัยก่อนจริงๆนะส่วนมากแล้วมันจะไปตายที่ตรงนี้แหละมันจะไปตายที่ความสงสัยความสงสัยนี่เป็นอุปสรรคเยอะมากนะครับในมงคลสามสิบแปดประการจะมีข้อหนึ่งบอกว่า <c oughs> กาเลนะธรรมสากัตฉา คือการสนทนาธรรมตามการแม้แต่ทั้งการไปสนทนาธรรมแบบนี้ก็สนทนาธรรมตามตามโอกาสที่เหมาะสมอย่าไปสนทนาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นความสงสัยก็เหมือนกันสงสัยได้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วจริงๆความสงสัยเองก็เป็นธรรมะเป็นสภาวะตัวหนึ่งค่ามันเท่าๆกับเราไปรู้ถึงการเดินเราไปรู้ว่าจิตกาลังคิด จิตกำลังโน่นกำลังนี่มีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกมีความรู้สึกมืดหรืออะไรเงี้ยที่คุณบอกมาอย่างนั้นมันเสมอกันครับเพราะมันก็เป็นสภาวะธรรมหนึ่งตัวเพียงแต่เราไม่ค่อยเห็นตัวนี้เรามักจะไปสนใจเรื่องอื่นเรื่องการเดินเรื่องลมหายใจเรื่องออความรู้สึกสุขทุกความอะไรแต่เราลืมความสงสัยไปดูตัวนี้ไปเลยก็ได้ครับ ถ, ถ้าทางคุณจะขี้สงสัย แล้วเมื่อกี้มีพอดีถามอยู่สองสาส่วนแต่ผมจําคําถามไม่ได้หมดมีอันไหนที่ยังไม่คือมันจะยากเวลาดูดูใจดูความรู้สึกมากกว่าดูกายอะคะอ่ะอ่าก็แปลว่าเราถนัดดูจิตก็ดูจิตไปครับคือมันยากกว่านะคะรู้สึกว่ามันยา ก, กาอ๋อมันยากกว่าเหรอะครับทำไมรู้สึกว่ามันยากล่ะครับก็อย่างสมมติเวลาโกรธอะคะ่ะเราก็เราก็พยายามดูลงไปว่ามันรู้สึกยังไงก็คือแบบเห็นบางคนบอกว่ามันมันจะรู้สึกเหมือนกับ เอออืดอัหรือว่าเป็นกรดพิษอไร่างเหรือเราแค่รู้สึกว่าเรา ก, ก, กพอคะ่ะคือแต่ละคนนะเห็นสิ่งสิ่งเดียวกันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเห็นในมุมเดียวกันไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนกันครับจะเห็นได้ชัดเ อ, อละเอียดไม่ละเอียดเนี่ยบางทีมันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับเหมือนเหมือนเราทํากับข้าวอะ่ะเหมือนเราทํากับข้าวอะ่ะบางคนตอนสมมติเราจะผัดอะไรเนี่ยนะครับ บางคนไม่ต้องไปนั่งดูก็ได้ว่าเหลืองหรือยังผักเปลี่ยนสีหรือยังให้นั่นเปลี่ยนสีหรือยังมันทําด้วยความชํานาญแต่บางคนต้องไปนั่งเพ่งบางคนต้องเอานาฬิกามาตั้งอยู่จับเขาบอกว่าตั้งไฟกี่นาะที่ทําตรงนี้ถึงขั้นนี้แล้วถึงจะพลิกได้หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่และคนจริตไม่เหมือนกันต่อให้ดูเรื่องเรื่องเดียวกันเหมือนกันดูความโกรธก็เหมือนกันบางคนเห็นถึงสภาวะความแน่นๆบางคนเห็นถึงสภาวะที่มันร้อนขึ้นมา บางคนเห็นสภาวะที่ใจมันดิ้นอย่างเงี้ยเห็นในมุมที่ต่างกันไม่เป็นไรครับไม่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกคนเพราะถ้าเหมือนกันทุกคนตายแน่นอนเพราะว่าเพราะว่ากรรมฐานมันมีหลากหลายมากแล้วจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะให้นึกถึงเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเราคิดว่าเราสวยเราพอดีเหมาะกับเราเนี่ยเอามาให้ผมใส่นะครับมันก็ไม่เหมาะกับผมถูกไหมชั้นได้ชั้นนั้นนะครับ แต่ละคนต้องมีเทลเลอร์เมดของตัวเองเราดูความจริงที่มันปรากฏของตัวเองเข้าถึงผู้เจ้าเลยใช้คําว่าธรรมวิทยะธรรมวิทยะแปลว่าการวิจัยความจริงคือความจริงเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยผมให้ทุกคนเอาเอ า, เอาลูกไก่กลับบ้านไปหนึ่งตัวและเอาไปทําวิจัยนะไปศึกษาดูว่าชีวิตลูกไก่เป็นยังไงแล้วใครสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณคิดว่าเขากลับมาเด็กๆทุกคนจะเอากลับมารีพอร์ตจะเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกันความโกรธก็เป็นเหมือนลูกไก่ตัวหนึ่งถ้าจะพยายามให้ดูเหมือนคนอื่นจะยากเขาที่มันยากว่าอย่างนั้นแต่ถ้าดูตามความจริงดูเท่าที่เราเห็นได้บางวันดูอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วเรารู้ว่าดูไม่ดูไม่ออกเลยจิตมัวจิตมีโมหะเยอะจิตซึมจิตอะไรนี่ก็ดูแล้วครับ มันมีคอนเซปต์อันหนึง่งซึ่งซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ผิดพลาดของคนปฏิบัติคือคิดว่าการปฏิบัติธรรมทุกครั้งเช่นถ้าฉันนั่งสมาธิและฉันต้องสงบผิดแล้วตั้งตน้นไปตั้งเป้าอย่างนี้นไม่ได้ไม่ได้บอกว่านั่งสมาธิเพื่อจะได้ดูกายดูใจตามที่มันเป็นจริงธรรมะคือความจริงนะครับธรรมะคือความจริงธรรมะคือธรรมดามันธรรมดาไหมที่จิตมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละวันธรรมดา ธรรมดาไหมที่บางวันเราไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วมันกลับได้ผลดีกว่าวันที่เราคาดหวังธรรมดาครับนั้นทุกอย่างเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันไม่ต้องภาวนาอย่าไปอย่าลืมคําว่าภาวนาดีหรือว่าอะไรเนี้ยไปก่อนนะครับเราดูความจริง ถ้าถนัดดูกายดูกายไม่เป็นไรครับเพราะดูกายเป็นวันหนึ่งก็เห็นจิตถ้าถนัดดูจิตเลยก็ดูจิตได้ไม่เป็นไรนะครับอขอไม้มาข้างหน้าหน่อยครับลูกหลานเราจะถามมั่งละเป๋ายิ่งชุบมากอากาศอาก่อ น, เออนนะเอาเลยลูก อยากถามเรื่องแบบว่าคือเราไม่สามารถปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไปแล้วได้มันเหมือนว่ามันมีอะไรอยู่ในใจแล้วเวลาทุกครั้งที่เราไปแตะคือปกติเราคิดว่าคือเราจะทำแบบว่าไม่ไปคิดถึงมันมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่เหมือนเวลาเรายิ่งกดมันน้อยอะแล้วเราไปแตะมันปุ๊บอะมันเหมือนมันจะบุ่มขึ้นมาอีกครั้งเลยเพราะว่าที่ผ่านมานะ เราใช้วิธีอยู่กับมันด้วยการไปกดไว้เราไม่ได้อยู่กับมันแบบเรายอมรับมันถ้าเรายอมรับมันนะเราจะเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าไอ้เรื่องที่เราเป็นทุกข์กับมันนักหนาเนี่ยมันจบแล้วใช่ไ่มจริงไหมเราทุกข์เนี่ยเพราะเราเอาเอาเรื่องที่จบแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นว่าถ้าเรายังนึกถึงมันถ้าเรายังจำมันได้ เราจะไม่มีความสุขอีกเลยในชีวิตนี้นี่คือเราให้ค่ามันณนะปัจจุบันนี้แล้วเราไม่ยอมรับมันคืออ่ะมันอาจจะเป็นความผิดพลาดมันอาจจะเป็นสิ่งที่น่าอายเราไม่ควรทาเราอะไรก็ตามแต่ละจำได้ว่าครั้งแรกที่มาพูดที่นี่ผมเคยพูดประโยคหนึ่งว่ามีพระอาจารย์ชื่อท่านพรมวังโสท่านท่านพูดหนึ่งประโยคท่านบอกว่า ชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะทําผิดน้อยลงเรื่อยๆนี่เป็นการฝึกให้เรารู้จักยอมรับนะว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเราทําผิดพลาดได้ไม่เป็นไรหรอกณนะปัจจุบันนี้เรารู้ตัวแล้วเราก็ตั้งใจที่จะไม่ทาผิดอย่างนั้นซ้าอีกจบจบเลยพระเขาจะมีการสวดปาติโมกขุกสิบทุกวัน เดือนละสองครั้งอ่ะเพราะว่าเวลาไปพูดว่าทุก15้าวันมันจะไม่ตรงเพราะว่ามันจะมีเดือนคู่เดือนที่มีแรม14คสี่ค่ขึ้น15คห้า่อะไรเงี้ยมันมันจะไม่ตรง15วันสักทีเดียวแต่ก็พูดง่ายๆคือเดือนละ2ครั้งก่อนจะสวดปาติโมกฟังปาติโมก ค, คือฟังสีนทั้ง227ข้อว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาจะให้ตรงอาบัตก่อนตรงอาบัตคือไปสารภาพว่าตัวเองเนี่ยทำผิดพลาดอะไรมาบ้าง ผมทำผิดก้อนนี้ครับผมเหยียบมดตายครับเมื่อวานนี้ผมเปิดประตูหนีบจิ้งจกตายครับผมไปทำใบไม้เขียวๆ ข, ขาดครับอะไรพวกเนี้ยผิดนะพลาดของเขียวอะ่ะคืออย่างเงี้ยเดินไปแล้วเดินไปแล้วเห็นเรามือไปโดนใบไม้แล้วใบไม้ล่วงบาปนะครับพระนะพระห้ามห้ามพลาของเขียวขุดดินไม่ได้ ขุดดินไม่ได้นะครับ อ, อ, อย่างตอนไปอยู่เนี่ยมันมีต้นไม้เนี่ยกิ่งไม้มันมาพาดบนหลังคากุฏิกลัวก็ไม่สามารถไปบอกบอกออคนคนงานวัดคือขึ้นขึ้นไปตัดเองไม่ได้อยู่แล้วตัดต้นไม้อาบัดไปบอกคนงานบอกว่ามาตัดนอยมันเนี่ยไม่ได้นะครับแต่บอกถ้ว่าไปบอกได้ว่าเออโยมโย ม, โยมที่กุดหลวงพี่อ่ะ มันมีกิ่งไม้มาพาดอยู่ยมไปดูให้หน่อยมันมีศั์ศั์อยู่ในหนังสือเขาแนะนำว่าสมัยก่อนเขาจะใช้คำว่าจงพิจารณาสิ่งนี้ <c oughs> พิจารณาดูซิว่าคุณจะทำยังไงนะครับท่านท่านเจ้าคุณที่ที่เป็นเจ้าคณะที่วัดบวรที่ครูไปบวชอยู่สิบห้าวันแรกท่านเลยบอกว่า เด็กวัดเนี่ยสำคัญมากเด็กวัดต้องฉลาดเพราะถ้าเด็กวัดไม่ฉลาดนะมันจะมีอาการอย่างนี้คือมีครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่านี่ น, นี่กิ่งไม้มันมามันมาพาดหลังคาแล้วเ อ, อเอ้ยไอจุกไอจุกไปดูหน่อยสิยบอกให้เน้จุกไปดูดูแล้วครับ <laughs> แล้วก็ไม่ทำอะไร <laughs> มันพาดหลังคาหรือเปล่าท่านก็อปศาพูดแบบเป็นไงพาดครับ จบคือจะให้จะให้พระไปบอกว่าไปตัดออกไม่ได uh, uh, ้มันอาบัตินะเออหรือหรือพาเนี่ยไปไปซื้อของเนี่ยใช้เงินซื้ออย่างเงี้ยไม่ได้นะแต่บอกคนที่ดูแลเงินวัาญัติชกรว่าเออเอออะไรนะหลวงพี่ไม่สบายโยม ลองหายาภาราให้แผงหนึ่งหายาพารามาให้แผงหนึ่งเขาจะไปหาด้วยวิธีไหนเราไม่รู้แต่ส่วนมากเขาก็ไปซื้อมาให้เราแต่ต้องใช้คําแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันแล้วไปแล้วนะต้องปล่อยให้มันแล้วไปเคยมีนิทานเซนเรื่องหนึ่งท่านพูดถึงพระสองรูปเดินไปด้วยกันเดินไปในป่าทุดงไป พระญี่ปุ่นเดินเดินไปวันหนึ่งเจอลาําธารแต่ลําธารมันค่อนข้างจะน้ําน้อยหน่อยหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็ น, ปนคโคลนอยู่เต็มไปหมดเลยนี้ก็มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งด้านใส่ชุดกิโมโนกิโมโนเนี่ยมันจะก้าวยาวไม่ได้มันก็จะต้องนึกออกไหมเหมือนนกเพนกวินนะอ่ะอทีนี้พอพระเห็นอย่างนั้น ก, ก็ ตายแล้วสีการได้อยู่อย่างนี้ทั้งวันก็คงไม่ได้ไปไหนก็โม่แต่จะไปยังไงดีไม่รู้ทำไงดีท่านก็ไปถึงมีผ้าลุ่มหนึ่งก็ไปอุ้มเลยครับอุ้มอ่ะนาโยมนัตมาพาอุ้มไปข้ามไปพาอีกรูปก็ตาเลือกทำได้ไงฮะอาบัตนะเนี่ยทำไมทำเงี้ยเฮ้ยชี้อย่างนี้ไปตลอดครับจนผ้าลร่มนั้นอุ้มข้ามไปแล้วก็ปล่อยผู้หญิงวางลงแล้วท่านก็เดินต่อ้านี้คือยัง อาปากทามพอรู้ตัวก็เดินตามไปแล้วก็คิดอย่างนี้ไปตลอดทางเฮ้ยนี่ก็ไม่ก็ท่านเขาไม่ใช่พักใหม่แล้วเว้ยตายแล้วมันตั้งกี่พรรษาแล้วบวชเป็นพระเถระสิบกว่าพรรษาทำไมยังทาเรื่องแค่นี้อยู่คิดอย่างนี้ไปตลอดทางเลยคิดไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงตอนค่าก็พักแรมแล้วก็ญี่ปุ่นก็หนาวเนาะก่อไฟจริงๆในเมืองไทยนะฮะถ้าพระไทยนะ ก่อไฟเพื่อหุงอาหารอาบัดแต่ก่อไฟเพื่อแก้หนาวได้นะครับก่อไฟแก้หนาวท่านก็อีกรูปหนึ่งท่าก็นั่งผิงไฟสบายใจอีกรูปนึงก็คิดอยู่เรื่องนี้ตลอดเวลาในที่ทนไม่ได้ครับพอตกดึกมากมากเขบโผล่ขึ้นมาท่านวันนี้ท่านทําอะไรอะ่ะท่านรู้ตัวเปล่าท่านไปอุ้มศรีการ์นะท่านคิดยังไงของท่านเนี่ย ให้อีกรูปหนึ่งที่ไปอุ้มสีกา mm hmm. ก็เงยหน้าแล้วเขาบอกว่าโอ้ผมวางผู้หญิงคนนั้นไว้ริมลำธารดังนันเมื่อตอนกลางวันท่านยังไว้อุ้มมาอยู่เลยเนี่ย mm hmm. เข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมเ mm hmm. นี่ยเราไปแบกไว้ mm hmm. ซึ่งห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นะ มันช่วยไม่ได้บางทีเรามีกรรมของเราเรามีกรรมเราก็อาจจะต้องรับผลกรรมไปหน่อยที่ทำให้เป็นคนขี้กังวลคิดมากแต่ฝึกได้แก้ได้ด้วยการคอยมีสติรู้ทันว่าจิตเขาคิดจิตเขากังวลจิตไม่สบายใจมันมีแต่เรื่องของจิตทำงานจำเรื่องเดอะเมทริกซ์ได้ปะมันสู้กันมนอะไรเนี้ยมันอยู่ในจิตหมดเลยเห็นไหม มันเป็นเรื่องความคิดท่านั้นรู้ทันความคิดบ่อยๆแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเองยอมรับได้ก็รู้ว่ายอมรับได้ยอมรับไม่ได้ก็รู้ว่ายอมรับไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ก็ชั่วคราวแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกันนะลูกนะต่อมาอเมื่อกี้คนไหนจะถามมาเชิญลูกเือจริงๆเราก็ทราบมวาว่าพระพุทธเจ้าไม่นิยมให้ถาม คำถามที่ไม่เกิดประโยชน์แบบพวกอภิปชัชษ์อแต่ว่าคําถามที่สงสัยมานานมากๆก็คือว่านิพพานแล้วสมมติว่าเอามีพระท่านหนึ่งท่านนิพพานแล้วใช่ไหมคะแล้วจะมีโอกาสไหมที่จะกลับมาเป็นคนไม่นิพพานนะคะ่ะความว่าสมมุติว่าเราบารรลุแล้วแล้วจะมีโอกาสบารรลุนี่อย่างนี้บรรลุธรรมมีสีขั้นหนูหมายถึงขั้นสุดท้ายใช่ไหมโอเ ค, คถ้าบารรลุในขั้นที่สี่แล้วนะ เวลาตายเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้คําว่าดับขันทะปรินิพาน mm hmm. คือขันมันดับหมดแล้วมันไม่มีเชื้อเกิดละหมายถึงว่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่อะ oh, ไรอเงี้ยค่ะระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นพระอาหารหันต mm ์ hmm. เขาเรียกว่าอามันมีอุ ป, ปาทิเสสนิพานกับอีกอันหนึ่งฮะจำไม่ได้ละอนุปาทิเสสนิพานอันหนึง่งท่านก็จะเป็นพระอาหารหันต์คือเป็นมนุษย์ที่จิต ท่านเป็นพระราหานะ่ะคือจิตเนี่ยจะไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆอันนี้พูดยากมากเลยเพราะไม่ได้เป็นไม่เห็นฟังหลวงพ่อฟังครูบาอาจารย์ท่านอธิบายมาแล้วเราก็จำจำมานะไม่ได้แปลว่าเราเห็นนะเพราะฉะนั้นการอธิบายฉล า, า, าดเคลื่อนต้องขออภัยนะเ อ, อท่านบอกว่ามีจิตอยู่แต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีเรามีเขามีตัวมีตนนะครับจิตก็ทํางานของจิตเพราะมันเป็น แค่ขันห้าทำงานนะครับในขันห้าทุกขันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นร่างกายเราเวทนาของเราสัญญาคือความจำของเราสังขารคือความคิดนึกของเราวิญญาณของเราไม่มีไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยแต่มันยังทำงานได้เป็นปกติพระอรหันต์คิดไหมคิดพระอรหันต์มีความรู้สึกไหมมีแต่ไม่มีความเป็นเราอยู่ในนั้นมันต่างกับตรงนี้เองแต่อธิบายยาก ไม่เคยเห็นอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นก็รู้ว่าอยากที่คอถามได้ไหมคะครับอยากจะถามเรื่องที่ว่าระหว่างวันให้เจริญมรณานุสติแบบในมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คะ่ะแต่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะไม่ได้เหมาะกับทุกคน ม, มรณานุสติเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกรรมฐานที่มีประโยชน์ดีมากแต่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนในสมัยพุทธกาลมีช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมรณานุสติใหม่ แล้วปรากฏว่าพระทําตามพิจรารณาโมราณาัตเนี่ยดูร่างกายเป็นของวันหนึ่งจะต้องตายแน่เป็นของแบบเสื่อมเป็นของทนไม่ได้เป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะพิจรารณาพวกนี้ไปออพอพิจรารณาไปสักพักหนึ่งเกิดสังเวทแล้วมันมันเกินอะ่ะมันเกินความพอดีไป ม, มันไม่มันไม่ได้เหมาะกับจริตตัวเองไปฆ่าตัวตาย ไปฆ่าตัวตายนะครับแต่เขาก็มีเรื่องเล่าต่อมาในอัตถกถาอธิบายบอกว่าจริงๆพระกลุ่มนี้ท่านก็มีมีบุพกรรมของท่านอยู่นะครับคล้ายๆพระโมคคัลลานะถ้าใครเคยได้ยินพระโมคคัลลานะมีบุพกรรมของท่านคือมีอดีตชาติชาตินึงได้เมียไม่ดีนะครับได้เมียไม่ดีแล้วเมียเนี่ยไปพูดจาจนกระทั่ง ท่านในอดีตชาตินะไ ม, ไม่ไม่ใช่ท่านที่ชาติที่เป็นพระโมคคัลลนะในอดีตชาติเนี่ยพาพ่อแม่เนี่ยไปฆ่าทิ้งในป่านะครับคือหลอกพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเอาไปใส่กระสอบแล้วก็ทุบๆุทุุทททททนะครับให้ตายเพราะจะได้ไม่เป็นภาระในการเลี้ยงกรรมเนี้ยก็ส่งมาจนกระทั่งชาติเนี้ยท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็มี พวกเดรถัถต์คือนักบวชนอกศาสนาที่ไม่พอใจพระโมคคลาเพราะมีคนศรัทธาเยอะแล้วก็แย่งลาบสักการะไปคือคนก็หมดแต่ไปเอาของไปถาวายพระโมคคลลานะไปทําบุญกับพวก โ, โมคคลลานะพวกตัวเองอดอยากก็เลยจ้างนักเลงไปทําร้ายซึ่งจริงแล้วถ้าว่ากันโดยฤทธิ์พระโมคคลลานะไม่มีทางเป็นไรท่านกะ็หายนตะัวมนะั่งหะนีมั่งคือหนีไปหนีมาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยกรรมมันมา เหมือนต้มาเตือนบอกว่าเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าออท่านก็ดูแล้วอ๋อ <só> ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ท่านจะละสังขารแล้วท่านก็ใช้กรรมสุดท้ายนะฮะก็ไม่หนีนะก็ให้พวกโจรทุกทุกๆๆๆๆุจนกระทั่งกระดูกท่านแหลกไปหมดทั้งตัวนะแต่ตอนนั้นท่านยังไม่ตายท่านเข้าฌานสมาบัติแล้วก็ปสานกระดูกกลับมาใหม่แล้วก็หาะไปเฝ้าพพุทธเจ้าเพื่อลาลาปรินิพพานแล้วค่อยค่อยตายไป เพราะฉะนั้นบางทีมันเรื่องกรรมมันเป็นเรื่องซับซ้อนไม่ทำดีที่สุดตอบคำถามไหมอ่ะโอเคอ่ะมีใครจะถามอีกครับมีเวลาประมาณยี่สิบนาที เชิญครับมีคุณผู้ปกครองจะถามอีกหนึ่งคำถามพี่ยอดครับพี่ยอดทั้งหน้าครับ oh เอใหม่เปิดเปิดเปิดไม่นิดหน่อยครับค่ะตอนนี้ธรรมะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลจากหลากหลายที่มากเลยแล้วก็จะมีสํานักหรือวัดหรือจเจ้าสานักต่างๆมากมายอะคะ่ะทีนี้เราจะ ใช้วิธีไหนในการในการพิจารณาว่าธรรมะที่เขาสอนเนี่ยถูกเช่นพระเจ้าให้หลักไว้แล้วข้อนี้นะครับว่าธรรมวินัยอันไหนเป็นของตถาคตท่านให้หลักไว้หนึ่งเอ่อมันมีอยู่หกหรือแปดข้อเนาะมันจริงผมท่องไปออกท่องไปสอบเหมือนกันมันต้องเรียนเรื่องนี้นะครับหนึ่ง ทำบนไดเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษไม่สะสมกองกิเลสไม่มกักมากไม่อะไรพวกนี้จำได้ไม่หมดนะครับขออภัยแต่มันมีหลักคือดูง่ายๆว่าผู้เจ้าสอนเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเพื่อทำลายความคิดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนนี่เป็นข้อใหญ่สองคือเรื่องของสะสมกิเลสคือถ้าบอกว่าถ้าเขาสอนว่า ทำแบบนี้แล้วเอจะได้ไปสวรรค์สมมุนนะครับสอนทําบุญเยอะๆเราจะได้นิพพานเนี่ยไม่ใช่มันไ ม, ไม่ไม่ตรงกันหลักเพ่อพุทธเจ้าสอนเรื่องการการนิพพานว่าต้องเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานคือรู้ความจริงของกายใจในฐานนั่งศี่เรษอดูจากฐานไหนเริ่มต้นฐานไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้อง จากฐานใดฐานหนึ่งทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนไม่ใช่หรือว่าอาถ้าเขาสอนให้ไปเพ่งความว่างเพ่งความว่างแล้วนั่นอะ่ะคือนิพพานอยู่ตรงนั้นก็แปลว่าไม่ได้เจริญปาสติปัฏฐานสี่สี่อย่างนี้นแปลว่าไม่ตรงนะอขออภัยที่ผมจำหลักตัวพิจารณาข้อนั้นได้ไม่หมดแต่จริงๆก็ จริงๆถ้าเรียนเรียนว่าผู้ทีเจ้าสอนอะไรนะครับ อ, อ, อันนี้เราจําหลักง่ายๆว่าเป้าหมายของชาวพุทธคือการพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ต้องมีปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาครับจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรคือต้องแต่ว่าต้องทําต้องลงมือทําถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์มันเป็นถอยกลับมาเรื่อยๆนะครับเพียร น, นี่เพียรทําอะไรบ้างเพียร ละกิเลสรับ ล, ละบาปอากุศลที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพียนสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้มันเกิดมีขึ้นอะไรที่มีอยู่แล้วก็ทําให้มันเจริญขึ้นนะฮะซึ่งไอาการเพียรที่ว่าเนี่ยก็เข้าไปหลักเมื่อกี้ที่ผมบอกโพชฌงเจ็มีสติก่อนแล้วก็ธรรมวิจยะย้อนมาดูตัวเองแล้วมาดูตัวเองเข้าใจความจริงมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไปถึงสุดท้ายมันจะไปเรื่องถึงอุเบกขา จิตเป็นกลางจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยไปเดินปัญญาได้ดูความจริงของกายของใจเขาแสดงความจริงให้เราดูว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ทนเขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คือตัวปัญญา3ามตัวที่ทําให้มันตัดอาสวะนะครับจิตเป็นอิสระหลุดพ้นได้เนี่ยด้วยปัญญาตัวนี้เพะฉะั้นถ้าสํานักไหนก็ตามสอนแล้วไม่ได้เดินไปสู่การพิจารณาความจริงของรูปนามกายใจ แต่ว่าไม่ใช่ถ้าสอนเพียงเพื่อจะให้ อ, อ, อย่างสมมติว่าบางสำนักแต่ต้องต้องดูดีเทลบางสำนักสอนแล้วเขาบอกว่าอ๋อโยนไปนั่งสมาธินะรู้ลมหายใจไปถ้าบอกว่าอาณาปนสติแค่นั้นน่แล้วเขาบอกว่าอเออนี่เป็นการทำสมถะให้จิตแต่ตั้งมั่นก่อนนะอย่างเงี้ยก็ยังสอนถูกอยู่แต่ถูกแบบสมถะท่านก็ไม่ได้สอนผิดนะครับ เพียงแต่ต้องรู้ว่าเราทําสมถาะาไปเพื่อประโยชน์อะไรก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นมีสมาธินะครับสมาธิแบบตั้งมัน่นก็ไปเดินปัญญาได้เหมือนกันคือมันมีทางที่จะไปสู่ความตั้งมั่นเนี่ยสองทางหนึ่งคือไปทําฌานให้ได้ก่อนนะครับนั่งสมาธิเก่งๆ ก, ก่อนแต่ทําด้วยสติไม่เพ่งนะครับ อ, อ, อันตรายมากผมก <laughs> ุ้มใจตอนผมไปบวชก็มี เออพระที่ผมอยู่เขาท่านสอนกรรมฐานเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้ายังไม่สงบแปลว่ายังเพ่งไม่พอ่ออย่างเงี้ยครับเราก็อืมแต่เราเป็นพระผู้น้อยเราพูดไม่ได้อย่างเงี้นะครับก็เงียบๆไปก็แล้วแล้วแต่แต่เราก็รู้หลักว่าจริงๆมันทำด้วยการเพ่งเนี่ยมันก็ได้แค่ความนิ่งสงบแบบมันจะได้สมาธิแบบที่มันใช้ประโยชน์กับการเดินปัญญามไม่ได้ เพราะสมาธิแบบหนึ่งเราสังเกตนะครับวันไหนที่เราทําสมาธิแล้วจิตมันซึมมันทื่อมันหนักมันแน่นอันนั้นน่แปลว่าเราทำํำมันนิ่งเหมือนกันนะแต่มันนิ่งแบบครูบาอาจารย์ใช้สาวนิ่งแบบซื่อบือ้อนิ่งแบบเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อ่ะเหมือนฝึกเด็กคนหนึ่งอ่ะบอกให้มีวินยัยให้มีอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กกลายเป็นเด็ก <c oughs> เขาก็เรียนรู้อะไรต่อไม่ได้ มีวินัยจริงไม่ไม่สนไม่ดือ้อไม่อะไรแต่เนี่ยมันมันซื้อบือ้อท่านเลยไม่ให้ทําก<ส>็ถามว่ายากไหมก็ยากพอสมควรครับยากพอสมควรที่จะพิจารณาเพราะว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็ผ่านการลองผิดลองถูกไปแล้วประมาณหนึ่งผมก็ไปทําผิดอยู่ตั้งตั้งหลายปีตั้งเจ็ดปีตั้งเจ็ดปีและไอ้เจ็ดปีเนี่ยผลที่ได้ตามมาคือผมต้องแก้มันอยู่เป็นสิบปีเลย ต้องใช้เวลาที่จะแก้สิ่งที่เราทําผิดไปแล้วอ่ะเพราะช่วงแรกผมภาวนาด้วยการเพ่งครหลวงพ่อบอกเราเป็นเอตทักคะทางการเพ่งเพ่งเก่งมากครับผมไปคอร์สอันหนึ่งเขาเขาให้เขาให้รู้สึกตัวในท่ายืนแล้วบริกรรมยืนหนอใช่ไหมผมก็บริกรรมนะแต่ผมไม่บริกรรมธรรมดาผมสแกนด้วยผมก็ยืน ปลายเท้าแล้วก็หนอแล้วก็สแกนกลับมาจากปลายเท้ายืนหนอเพ่งนี่เพ่งหมดเลยถา้าถามว่าไม่เพ่งทํำยังไงแค่รู้สึกตัวว่าตอนเนี้ยมันมีเอ็ก้อนก<ร>้อนนึงเป็นแท่งๆอยู่มันยืนอยู่ครับแค่รู้สึกธรรมดารู้สึกว่าร่างกายกําลังยืนจบแต่เราส่วนมากเราจะไม่ไม่เชื่อว่าแค่เนี้ยพอ เราจะอยากได้เยอะกว่านี้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีลาดับขั้นมันอย่างเราเรียนเราเรียนหนังสือในทางโลกเรีย น, นหนังสือในทางโลกเรเริ่มจากอะไรเริ่มจากอนุบาลเริ่มจากอนุบาลป .1 ป .2 ไล่ไปเรื่อยๆมัธยมอุดมศึกษาก็ยังมีปริญญาตรีโทเองใช่ไหมครับสติก็เหมือนกันสติมันเริ่มมาจากความรู้เนื้อรู้ตัวแบบธรรมชาติก่อน ทำไมเราถึงให้ลูกมาเรียนที่นี่เพราะเราเชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้แบบธรรมชาติจริงไหมใช่ไหมครับเอาหลักเนี้ไปใช้เรื่องการภาวนาเรื่องการปฏิบัติธรรมใช้ได้เหมือนกันครับรู้แบบเป็นธรรมชาติดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรสําคัญที่ว่ารู้หรือไม่รู้ออขอถามอีกข้อค่ะที่ว่า บอกว่าสติเนี่ยเป็นธรรมธรรมใหญ่แล้วก็มีประโยชน์มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนที่มีอุปการะมากก็มีคนบอกว่าเอสติคือความรู้สึกตัวเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเขาก็รู้สึกตัวนะแต่ว่าเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะห้ามหรือว่าเบรกตัวเองได้อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือเขาคิดว่าสติหลักแล้วจริงๆต้องต้องต้องเข้าใจใหม่ สติไม่ได้แปลว่ารู้สึกตัวสติแปลว่าความระลึกได้นะครับความรู้ตัวเนี่ยคือตัวสัมปชัญญะต่างกันนะมันเป็น2ส่วนที่มันมันมักจะมาเป็นดูโอมันมักจะมาด้วยกันนะครับแต่เขาก็ก็มาแยกกันทีหลังสติเนี่ยมันระลึกขึ้นได้ก่อนบางทีก่อนที่จะทําด้วยซ้ำไปแต่สัมปชัญญะนี่คือตอนที่มันทําไปแล้วมาถึง พิจารณาต่อได้ว่าอ๋ออันนี้ใช่ไม่ใช่สมควรไม่สมควรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับอันนั้นคืออันแรกที่เขาเขาเข้าใจผิดอันที่สองคือเขาบอกว่าเขารู้ตัวแต่เขาห้ามไม่ได้เขาเข้าใจผิดอันที่สองว่าเรารู้สึกตัวเพื่อจะห้ามอะไรเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกว่ารู้อย่างเป็นธรรมชาติผมไม่ได้บอกเลยว่ารู้เพื่อจะห้ามอะไรผมไม่ได้บอกเลยว่าผมผมสอนเด็กๆในคลาสเนี่ยผมจะบอกว่า ความรู้เนะี่ยมันมีหลายระดับนะอย่างอย่างที่เราพูดเรื่องความดีความดีโดยทั่วไปมันเป็นระดับจริยธรรมจริยธรรมคือแปลว่าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเรารักษาศีลเราไม่เบียดเบียนเราไม่ทำร้ายคนอื่นเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่โกหกนี่เป็นจริยธรรมนะครับซึ่งถ้าเราพูดเรื่องจริยธรรมอันเนี้ยมันก็ใช้เรื่องของการรักษาศีลเข้ามาเป็นหลักแต่เวลาเราพูดเรื่องเจริญสติ มันไม่ใช่แค่เรื่องศีลแบบนี้มันเป็นอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลหมายถึงการที่เราคอยมีสติระลึกรู้อยู่ในการเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสคิดนึกปรุงแต่งมันมีสติรู้พวกนี้ไม่ได้มีตรงไหนเลยที่บอกว่ามีสติเพื่อจะห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงแต่ง ไม่ให้เห็นอะไรไม่ให้ดูอะไรไม่ให้ฟังอะไรไม่ใช่มีสติเป็นเรื่องของการรู้ตัวว่าตอนนี้ตากำลังเห็นรูปจิตกำลังทำงานเห็นปุ๊บชอบเห็นปุ๊บไม่ชอบเห็นปุ๊บเฉยเฉยรู้อย่างเงี้ยมีสติมันไม่ใช่แค่ว่ารู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธนะครับมันอันนั้นมันยังเป็นแค่เบสิกที่มันมันยังต้องพัฒนาต่อ เเพราะเราเรียนรู้จากสภาวะจริงๆว่าตอนเนี้ยที่โกรธเนี่ยแต่นี้มันจะพูดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคิดนาแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ดีกว่าไม่ได้คิดเลย <c oughs> คือเวลาเรารู้เนี่ยนะครับ <c oughs> เมื่อกี้ผมถึงยกตัวอย่างให้คุณผู้หญิงคนนี้ลองเอามือขึ้นมาแล้วผมลองถามดูว่ารู้สึกไหมว่ามีมืออยู่ <c oughs> รู้นะครับมือสั่นอยู่รู้ไหมรู้ <c oughs> แล้วมือมันบอกหรือเปล่าเป็นเราไม่ได้บอก ตัวนี้ตางหากที่สำคัญเวลาโกรธครั้งต่อไปลองไปบอกเพื่อนดูให้เพื่อนดูความโกรธในฐานะที่เราเป็นคนดูไม่ใช่ที่เราเป็นคนโกรธเพราะจริงๆไอ้ตัวที่โกรธไม่ใช่เราตัวที่โกรธคือจิตโกรธจิตโกรธได้เพราะอะไรเพราะขันมันทำงานขันตัวที่ชื่อว่าตัวที่ชื่อว่าเวทนามันมีความทุกข์ขึ้นมาพอมีความทุกข์ปุ๊บมันไม่พอใจมันโกรธขึ้นมา มันมันเป็นเรื่องสืบเนื่องกันมานะครับเราดูเพื่อให้เห็นการทำงานของคันแต่ลขานเราไม่ได้ดูเพื่อจะได้ณบัดณบัดนี้เราจะได้เป็นคนดีไม่โกรธใครไม่คิดอะไรไม่ไม่สนใจไม่ทุกร้อนไม่เลยเลยเราไม่ทำอย่างนั้นครับมันจะงงนิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าเวลาเราพูดเรื่องทฤษฎีแล้วเราไม่ได้ปฏิบัตินะครับ เออมันจะฟังด้วยการคิดคิดคิดคิดไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะตรงกับที่เราเข้าใจอยู่แล้วบ้างไม่ตรงบ้างแล้วมันจะงงนิดหน่อย<บ>แต่โดยย่อเอาทีสรุปสติมีลําดับขั้นสติขั้นแรกๆฝึกเพื่อให้สติเองนั่นแหละมันจเจริญขึ้นก่อนพอจเจริญขึ้นถึงระยะหนึ่งสติย้อนกลับมาดูกายดูใจทําวิจัยเรื่องตัวเองไปเรื่อยๆมันจะสามารถมีความ ตั้งมั่นถ้าเราประกอบกันกับสมรฐาที่เราทําไว้ดีแล้วนะจิตมันจะมีแรงเวลามันดูเข้ามาโกรธเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าความโกรธเป็นส่วนหนึ่งเป็นแค่ขันขัดไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้ความโกรธก็ไม่ใช่ตัวความโกรธมันเป็นวิญญาณเป็นอีกตัวหนึ่งใชไหมครับมันแยกขันออกมาพอมันแยกขันมัหนึงจะเห็นความจริงว่าอ๋อโกรธเองดับเอง ไม่ได้ทำไม่ใช่ว่าห้ามถ้าห้ามแล้วมันหายไปอันนั้นะ่ะยังไม่ใช่วิปัสนาอันนั้นะ่ะเป็นการเป็นการเป็นคนดีคือใช้ความคิดใช้อะไรก็ตามแต่ไปเบรกมันไว้ซึ่งมีประโยชน์ไหมมีครับมีในเวลาที่เรากำลังโกรธใครมากๆแล้วเรากำลังจะไปฉุดขอเสื้อเข้ามาแล้วก็ต่อยว่าต่อยข่าวหลังชนแล้วยันหนีชนแล้วยันหนีกาบรถกู้เห็นไหมมันมีประโยชน์ มีประโยชน์ที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นใช้ความคิดอันนั้นในฐานะที่สติมันยังไม่เจริญพอที่มันจะเห็นอะไรปุ๊บแล้วมันจะดับได้เลยนะครับแม้แต่การเห็นปุ๊บแล้วมันดับเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากเจตนาที่จะห้ามเลยนะครับคนละส่วนกันนะการที่มีสติเพื่อที่จะห้ามไม่ให้โกรธเนี่ยแปลว่าเราทำด้วยความโลภเรียบร้อยเลยคือเราอยากดี อยากจะให้ความโกรธหายไปจิตเขาก็แค่แสดงความจริงให้เห็นว่าถ้าคุณยังมีความอยากก็แปลว่าจิตคุณยังมีกิเลสไฟติดด้วยน้ํามันกัดเราเอาน้ํามันดีเซลไปฉีดแล้วคุณคิดว่ามันจะดับไหมมันไม่ดับมันเป็นน้ํามันเหมือนกันกิเลสตัวหนึ่งติดไฟเรียบร้อยแล้วคุณจะเอากิเลสอีกตัวหนึ่งไปดับมันเหรอไม่ได้ต้องบอกเพื่อนหมาว่า ต้องทำความเข้าใจกับคอนเซปต์ของการภาวนาใหม่นะครับยาวเลยคำถามนี้ <laughs> เชิญครับน่าจะคำถามได้อีกสักสองอันเนาะเชิญเลยลูก <c oughs> ไม่มีใครถามหนูถามเลยลูกอยากรู้ว่าวิธีการรักษาแบบนักจิตวิทยาที่เขาแบบเหมือนเวลาที่มีการแบบพูดได้ฟังหรือว่าบาบัดต่างๆแบบพวก ว่ารูปหรืองานศิลปะเนี้ยมันเป็นวิธีรักษาที่แบบผิดหรือเปล่าคะครูไม่รู้ว่าเขาทําด้วยวิธียังไงบ้างแล้วก็ขั้นตอนครูไม่กล้าวิจารณ์เลยไม่ต้องจริงๆต้องไปดูก่อนว่าแนวความคิดเขาคืออะไรแล้ววิธีจริงๆตอนทําทําไปทําเพื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะวิจารณ์ได้เนาะอันนี้ขอผ่านไปก่อน ส่งไมค์ข้างหลังหน่อยครับมีผู้ปกครองดีแล้วเชิญครับคําถามผมเนี่ยเป็นคําถามง่ายๆนะครับเบสิกพอดีเห็นคนอื่นเขาถามแต่ยากๆทั้งนั้นเลยของผมเนี่ยจะถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปครับนะครับจะมีประมาณ3ามข้อครับโอหครับเชิญครับเชิญเชิญได้ครับคืออย่างนี้ครับอ่าอันแรกเลยเนี่ยสมมุติว่าเราผมเนี่ยเคยเคยไปงานสมมติงานบุญทั่วไปใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่เขาก็จะมีกดน้ําครับเสร็จแล้วเขาก็จะเอามือแตะต่อกันผมเคยไปงานนึ่งครับแล้วผมลืมแตะคนข้างหน้าเนี่ยโดนยายคนข้างหลังหันกำปั้นเลยคืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าผมไม่แตะเนี่ยบุญยายคนข้างหลังจะไม่ถึงใช่ไหมครับอันที่สองข้อสองนะครับครับคือทุกเดือนเนี่ยของผมเนี่ยเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบทีละข้อเพราะผมชขี้ลืม คือเรื่องทฤษฎีการกรวดน้ำเนี่ยต้องต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นมันเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์มาก่อนนะครับคือก่อนที่ศาสนาพุทธจะเกิดในอินเดียเนี่ยศาสนาที่อยู่อยู่มาก่อนคือศาสนาพราหมณ์เป็นหลักศาสนาเมนของเขาเนี่นะครับพราหมณ์จะใช้น้ําเป็นสื่อนะสังเกตว่าอย่างเขาจะมีพิธีอาบน้ําลอยบาบอะไรของเขาเนี่ยในแม่น้ํำคงคาอะไรพวกนี้นะครับ เ, เขาใช้น้ําเป็นสื่อมานานแล้วทีนี้ พระเจ้าก็ไปเห็นความจริงอันนี้เราจะมองในงแง่บุคลาธิสถาหรืออะไรก็ตามแต่นะครับพระเจ้าก็ไปเจอว่าตอนที่ท่านตอนที่ท่านตรัสรู้ท่านสู้กับมารนะฮะท่านได้อาศัยพ่อแม่ธรณีนะครับคือคือเวลาท่านทำบุญอะไรนะครับคนเขาจะหลังสีโนโทกทาราเนี่ยนะครับคือเป็นการกรวดน้ำนี่แหละนะแล้วก็บอกเหมือนกับฝากบุญเนี่ยให้พ่อแม่ธรณีรับรู้ไว้ว่า เราทำบุญนี้แล้วนะเนี่ยพอถึงเวลาท่านต้องใช้บุญนั้นขึ้นมาท่านก็ขอเราเคยเห็นพระปางมาลวิชัยไหมครับนึกออกไหมฟางมาลวิชัยคือไหนมือซ้ายวางบนตักแบบนี้นะครับเหมือนจะนั่งสมาธิแต่มือขวาเนี่ยวางบนเขา่าแล้วก็อนิ้วชี้แตะลงไปที่พื้นนะเพื่อเป็นการขอสื่อกับพระแม่ธรณีว่าให้มาช่วยแล้วท่านก็ออกมาช่วยบีบมวยผมน้าที่ท่านเคยหลัง สีโนโทกทาราไว้ตอนที่ท่านทำบุญกลวดน้ำไว้แต่ละครั้งเนี่ยสีอสงไขยแสนมหากรบนี่ก็ออกมาท่วมพัดมา น, นี่หายไปหมดเลยนั่นคือความความที่คอนเซปที่เขาเอามาใช้ในการกรวดน้ำต้องเข้าใจตรงนี้ตรงกันก่อนพระเจ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ท่านเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายนะครับมีหลายอย่างที่ไม่ได้เกิดมาจากาศาสนาพุทธแต่พระเจ้าเอามา ประยุกใช้นะครับเช่นการนั่งสมาธิการทำสมถะภาวนาทำสมถะคือทำให้จิตสงบตั้งมั่นมีกำลังเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วครับพระพุทธเจ้าเองตอนที่เป็น อ, อ, อดีตชาตินะครับสุเมโธดาวดบทก็ดีชาตินู้นชาตินี้เป็นพระราบทท่านทำสมาธิกเก่งมากมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่บรรุนะครับเพราะว่ายังสร้างบา ร, รมีเป็นพระ เ, เป็นพระพุทธเจ้ายัางไม่พอ นะก็เลยสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้การทุกครั้งที่ทำบุญท่าน จ, จะกวดน้ากวดน้ำกวด น, วดน้มันก็เลยสืบๆกันมาครับนี้ถามว่าก่อนไปถึงเรื่องนั้นตอบก่อนว่ามันจะมีกวดน้ำแบบแห้งกับกวดน้ำแบบใช้น้ำถ้าเราเข้าใจในกรอบนี้ตรงกันว่าพระแม่ธรณีมีนะครับท่านช่วย เ, เป็นพยานในเรื่องการทำบุญของเราได้จริง เป็นสื่อในการที่นําบุญของเราเนี่ยไปส่งต่อให้ญาติผู้ล่วงรับก็ดีไปถวายให้เทพพรหมเทวดาอะไรก็ดีเนี่ยได้จริงนะครับการใช้น้ําจะต่างกับการกรวดแห้งคือใช้จิตเราอย่างเดียวตรงที่ว่าคุณภาพของจิตตอนที่เรากําลังส่งบุญเนี่ยเราจิตเราดีพอขนาดที่ไม่ต้องอาศัยน้ำหรือเปล่านะเหมือนกับใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ ถ้าเราเตอร์มันดีนะสัญญาณ wi-fi มันแรงนะมันก็ไม่ต้องลากสายนะครับถ้ามันสัญญาณ wi-fi มันอ่อนมากนะมันมันใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องต่อสายสายแลนนะครับชั้นใดชั้นนั้นนะทีนี้ก็แต่มันก็ไม่ต้องไม่ให้เรื่องถึงขั้นจะต้องมาต่อว่ากันหรอกนะจริงๆแล้วนะครับจะได้ไม่ได้จริงๆแล้วมันคืออย่างนี้สมมติว่าอันนั้นลืมลืมจับนะโอ้เสียดาย รู้ว่าเสียดายนะครับรู้ทันว่าเสียดายไอโฟนเจหรือเปล่าอ๋อหก็ยังดีนะฮะราคาตกแล้วนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรทีนี้อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่ากรวดน้ำไม่จำเป็นต้องทาครั้งเดียวครับทำบุญหนึ่งครั้งเนี่ยกรวดน้ำกี่ครั้งก็ได้นะครับนะฮะกรวดน้ำทุกวันก็ได้เพราะว่าจริงๆการกรวดน้ำเป็นการฝึกทาสมถะอยู่ในตัวอย่างหนึ่งครับ เราเรานึกถึงคนที่มีบุญคุณกับเราตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ต่างๆครูพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับบุพการีผู้มีพระคุณเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรพวกเนี้เรานึกถึงพวกนั้นเป็นการแสดงความกระตันอยู่ หรือญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วเราก็เป็นการทําทานให้เขาบางคนอาจจะเราไม่รู้จักในชาตินี้แต่เขาเคยมีบุญคุณในชาติก่อนๆเคยเป็นญาติพี่น้องเรามาลุงป้าหนา้าอาเจกอากุมอืมอตี๋อะไรก็เคยมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาบุญที่เราทําในชาตินี้ส่งให้เขาเรื่อยๆใจเรานะี่ยมันก็สงบลงนะครับได้ทําทานทุกวันมันเป็นประโยชน์ตรงนี้มากกว่าครับคําถามที่สองครับ โดยปกตินะครับทุกๆเดือนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะไปตลาดแล้วก็จะไปซื้อปลาที่ตลาดที่เขากำลังจะฆ่าครับแล้วก็เอาไปปล่อยนะครับแล้วถ้าเกิดเคยมีบางครั้งเหมือนกันครับปลาที่ตลาดอ่ะไม่มีแล้วก็จะมีขายที่หน้าวัดที่ใส่กระมังไว้แล้วครับพวกนั้นอนะ่ะผมก็จะไม่ปล่อยเพราะว่าจะมีความคิดส่วนตัวว่าเราซื้อตลาดเนี่ยมันได้บุญมากกว่าพวกที่พวกที่ขายที่หน้าวัดเนี่ยยังไงพวกนี้รอดตายอยู่แล้ว คืออยากรู้ว่าเราคิดผิดหรือคิดถูกคิดถูกครับครับคิดถูกแล้วแล้วข้อที่สามครับเนื่องด้วยอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีงานบุญเยอะมากครับก็จะมีซองกระถินมาแทบแทบแทบจะทุกวันนะครับช่วงช่วงหน้างานนะครับคือเราอยากรู้ว่าถ้าบางอันหรือบางที่ที่เราไม่อยากใส่แต่เราต้องเกรงใจกับคนที่มาให้เนี่ยครับเราควรจะใส่หรือควรจะไม่ใส่ครับ ครูตครับตอบไงดีครับอันนี้กระซิบแบบลิเกนะฮะแบบลิเกเวลาลิเกเขากระซิบคุยกันเนี่ยแล้วเขาจะเหมือนกับว่าสมมุติว่าคนดูไม่ได้ยินคืออย่างนี้หลักของการทําบุญนะครับาทานบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นะครับผู้รับบริสุทธิ์ถ้ามันบริสุทธิ์3าส่วนดีที่สุดนะครับถ้าบริสุทธิ์สองในสาม ก็ดีกว่า1ส่วนนี่นะครับแล้วแล้วให้สบายใจก่อนทาสบายใจระหว่างทาสบายใจหลังทาถ้ารู้สึกว่าอันไหนทำแล้วไม่สบายใจครับก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่อย่าลืมนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องในเชิงของเเรื่องเชิงของบุญนะเราไม่ได้พูดเรื่องความสัมพันธ์เราไม่ได้พูดเรื่องสัมพันธภาพส่วนตัวหรืออะไรเงี้นะครับ อันนั้นถ้าจะเอาแบบนี้ความสบายใจในเชิงนี้ก็อาจจะต้องยอมรับผลที่ตามมาว่าเขาอาจจะถ้าเขาใจเขาไม่ได้เป็นบุญจริงๆเขาอาจจะแอ บ, บงอนเรานิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับก็วางใจอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ทำทุกบุญที่มีคนบอกครับผมก็ดูตามสมควรนะครับเหมือนกันแต่ถ้าถ้าเกิดจะต้องทำสมมตินะครับเช่น เจ้านายเราสมมุตินะฮะมีเจ้านายเจ้านายจะไปทอดกรถิ่นเนี่อันนี้มันโอ้โหการเลี่ยงยากเลยนะครับอาจจะมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนหรืออะไรทานองนี้นะครับก็วางใจนะครับว่าโอไม่เป็นไรก็ถือว่าต่อต่อให้เขาเจะไปทอดในวัดที่เราไม่ได้ยินดีเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ถือว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ ก, ก็ก็ทําเพื่อพระพุทธเจ้าหรืออะไรเงี้ยวางใจแบบนี้ครับ อย่าผมผมเคยมีคนถามเรื่องว่าเนี้ยเวลาเราเห็นพระรับบิณฑบาตเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นพระดีโอผมก็บอกว่าคุณต้องไปฝึกจนกระทั่งคุณมีอภิญญาก่อนนะคุณต้องรู้วาระจิตเขาว่าพระรูปเนี้ยดีไม่ดีคุณสามารถแบบวิเคราะห์อณายสเขาได้ปุ๊บ ป, บ ป, บปบุซึ่งเราทําไม่ได้ครับสิ่งที่เราทําได้คือถ้าเราอยากใส่บาต เราก็วางใจว่าบาทานเนี้ยเราต้องการใส่เพื่ออาศัยเขาเนี้ยไปถวายผู้เจ้าจบที่เหลือเนี้ยบุญเราสำเร็จล ะ, ะที่เหลือมันเป็นเรื่องของของพระรูปนั้นท่านดีหรือไม่ดีเป็นกรรมท่านละ่ะเช่นครับครับก็สงสัยครับอยากจะถามคือ เวลาที่เรามีสมาธิดีดครับแล้วเราจะอุทิศส่วนบุญสมาธิครับสมาธิาธรับดีดบเวลาเราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำไมถึงมีอาการกายเหมือนแบบมันมีอะไรแล่นผ่านจากหลังไปถึงที่หัวครับมันมันคืออะไรครับมันอยากจะรู้มันสงสัยมานานแล้วมันเป็นตอนที่เรากำลังอุทิศเหรอครับใช่ครับ อบอกตรงๆว่าจริงๆบางครั้งบางทีผมก็เป็นนะครับแต่นี้พอสงสัยผมก็รู้ว่าสงสัยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถามใครเหมือนกันเอ่อมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หลายอย่างหลายหลายสาเหตุอาจจะเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะครับเอ่อปัจจัยภายในมันก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตเขาเกิดปิติขึ้นมาในบุญที่เราได้ทำในกุศลที่เรากำลังทาอยู่ในทานที่เราได้ทา เขาก็ไม่รู้จะไปแสดงอาการตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับอีกอันหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของสมาธิที่ที่เราตั้งใจจะแผ่ออกไปนะครับเออจริงๆมันมีเรื่องจั ก, กระมีเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่นะแต่ผมไม่ได้ชำนาญมากผมเลยไม่กล้าตอบตรงข้างบนเนี่ยตรงกระหม่อมอะไรเนี้ยนะครับมันจะมีเป็นช่องทางอันนึงซึ่งกระแสขอ ง, งลมปราณมันไหลเข้าออกได้นะครับเอ่อ ผมเลยไม่แน่ใจว่าอาบางทีอาจจะเป็นมีมีพลังบางอย่างภายนอกเขามาเขาอยากจะมาขอบคุณเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ยังไม่ต้องคิดมากเพราะวันนี้ผมตอบไม่ได้เป๊ะๆนะครับก็ขออาภัยด้วยไว้ผมมีอภิญญาแล้วผมค่อยมาตอบยังไม่มียังไม่มีแต่ไม่ไม่มีอะไรน่าห่วงครับผมก็เป็นบ่อยๆ ตอนไปอยู่วัดใหม่ๆนะเป็นทุกวันเลยหรือมีใครจะมาเกาะจะเอาส่วนบุญอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะครับนะแต่เวลาแผ่ส่วนบุญนะครับมีคําแนะนําสําคัญอันหนึ่งคืออย่าไปบอกว่าเรียกให้ใครมารับนะครับอย่าไปเรียกให้ใครมารับนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายเราหรือใครก็ตามแต่นะครับก็ว่าหลวงครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งเขา พ่อเขาเนี่ยอชอบทำบาปอยู่สองอย่างนะตอนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คือชอบเชือดไก่เนะชือดไก่เพื่อเอามาทำกับแกลมเลี้ยงเพื่อนที่มากินเหล้าด้วยกันแล้วเล่นดนตรีกันอะไรอย่างนี้นะครับบาปอีกอันหนึ่งคือชอบบี้มดแล้วเวลาบี้มดเนี่ยบี้เป็นแถวเลยนะคือมดตัวเดียวไม่บี้ ตองไอตอนที่มันกำลังเดินสวนสนามกันอยู่นครับแล้วก็ไปบี้บชอบสะใจมันอะไรอย่างี้นะครับปรากฏว่าตอนเวลาที่จะตายจะตายเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาล ICU แล้วเนี่ยก็โวยวายว่าโอ้ยดูที่ทำไมไอโรงพยาบาลมีมดเดินเป็นแถวเลยอะไรเงี้นะครับเดินเต็มเตียงเลยอะไรงี้นะครับนมิตคนอื่นไม่มีใครเห็นเขาเห็นอยู่คนเดียว เสร็จแล้วพอช่วงที่จิตกําลังจะกําลังจะไปแล้วนะครับวาลาสุดท้ายเนี่ยเขาก็ปเป็นลูกลูกชายเนี่ยก็เป็นนิ ม, มนต์ครูบาอาจารย์มาครูบาอาจารย์ก็บอกว่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่ า, า, า, อวาตอนนี้จิตเข า, าเห็นนิมิตเป็นไก่ครับคือจะต้องไปเกิดเป็นไก่ก็เลยแผ่เมตตาให้นะครับแผ่ส่วนบุญให้แผ่ช่วยช่ยช่วยจนกระทั่งได้เกิด ผมจำไม่ได้ว่าเป็นอ๋อเป็นอสุรากายนะครับอสุรากายก็เป็นผีชนิดหนึ่งนะฮะเป็นผีชนิดหนึ่งทีนี้ก็ดีกว่าดีกว่าสัตว์เดรัจฉานหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอสุรากายเนี่ยเปลี่ยนภพง่ายคือได้บุญได้บุญมากพอเนี่ยปุ๊บไปเป็นเทวดาได้เลยนะครับถ้าได้บุญมากพ อ, อ, อลูกชายก็นิมนต์พระเนี่ยรับพัฒหารทําบุญโนู่นนี่อะไรจนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ตกค่ำก็ไปกวดน้ําอย่างงี้ไปกวดน้ําเสร็จไปบอกว่าเนี่ยเพ่ออยู่ที่ไหนก็ขอให้มารับส่วนบุญนี้อะไรนะครับบอกว่ากลิ่นเหม็นเน่าหมดเลยครับกลิ่นเหม็นเน่าหมดเลยครับลูกก็ตกใจรีบบอกหมาอ๋อพ่อไม่ต้องมาเดี๋ยวส่งไปให้ <laughs> <laughs> พ่อไม่ต้องมาเดี๋ยวส่งไปให้ครับตื่นเช้ามาก็โดนครูบาอาจารย์ด่านะครับไปเรียกเขามาทําไมอนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นหลักในการส่งส่วนบุญคือบอกให้เขารู้เฉยๆและให้เขาอนุโมทน า, าส่วนบุญนั้นไปนะครับไม่ต้องเรียกเข้ามา <laughs> โอเคเนาะวันนี้ก็คงได้ประโยชน์ตามสมควรนะครับสี่โมงสิบละเลยเวลามาสิบนาทีขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันตั้งคำถามแล้วก็ขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะครับขอให้ บุญกุศลใดๆที่ผมทำมาไว้ดีแล้วทั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้รวมไปถึงการที่ได้บรรพชาอุปสมบทนะครับก็ขอให้สำเร็จกับทุกท่านญาติมิตรบุปการีผู้มีพระคุณของทุกท่านรวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรของทุกท่านขอให้มีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาร่วมกันแล้วก็ขอให้มีสุขมีความเจริญยิ่งงขึ้นไปทุกท่านทุกคนครับสาธุ